ทำปลาไทยทอดสักทีทอดแล้วทอดเร็วจัง ท่านอาจารย์เรื่องด้วยว่าพก่มีกรรมใช้เวลาเยอะมาเลยพยายามเดี๋ยวช่วงเวลาของการแส ด, แดงคำหรือว่าอธิบายที่คนมาไว้ในช่วงบ่ า, า, บายบบาอากาศร้อนมากขออดทนหน่อยความร้อนมันไม่ใช่กิเลสแต่ความร้อนเป็นอริยสัจ สิ่งที่จริงที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจไม่อยากจะประสบก็ต้องประสบไม่อยากจะเจอก็ต้องได้เจอไม่อยากจะได้รับก็ต้องได้รับเพราะมันเปอสิ่งที่มีอยู่จริงเขาเรียกว่าเป็นสัตจากอันหนึ่งความร้อนไม่ใช่กิเลสไม่ต้องไปแก้การยอมรับจะช่วยให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันในสิ่งที่เราเกี่ยวข้อง จะได้ไม่ให้ความร้อนนั้นกระทบตัวตนเรามากเกินไปและเป็นการลดพลอัตราภายในซึ่งต่อตัวพล อ, อกระทำตอบต่อสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้เข้าใจกับมันอย่างแท้จริงตัวตนมันจะเจริญขึ้นด้วยมูลเหตุแห่งความไม่รู้ที่มีอยู่ในตัวตนของผู้นั้นผู้ใดก็ตามมีความไม่รู้ฝังแน่นอยู่ในจิต ย่อมสร้างตัวตนกระทําตอบในแต่ละสิ่งเป็นไปด้วยความคิดมั่นถือมั่นด้วยความดยากด้วยแรงแห่งทิฐิคือความเห็นผิดและนําไปสู่ตัวอุปท า, านทําให้เรายึดถือสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ปล่อยวางและสิ่งที่ยึดถือนั้นก็นํามาซึ่งความปุ๊กให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นการปฏิบททัติธรรมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในขณะปัจจุบันคือตอนนี้ แม้จะมีความร้อนบ้านก็ให้เข้าใจความร้อนตามภาวะแห่งความเป็นจริงที่มันีอยู่แล้วก็ทราบกันดีว่าฤดูการของวันสงกรานต์ก็คือเป็นฤดูการแห่งฤดูร้อนจึงได้ใช้น้ำเป็นเครื่องบรรเทาความร้อนตามสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูการของมันนั่นหมายถึงว่าเรามีความเชื่อ ว่าน้ำสามารถลดทอนความร้อนในสภาพอากาศที่เรากำลังได้รับอู่เนี่ยได้เราจึงใช้น้ำมาลดมาสมให้กันเราสงกลางกันกระทำลดน้ำสงน้าให้แก่กันและกันเพื่อบรรเทาความร้อนแต่สิ่งที่จะบรรเทาความมุกให้กับพวกเราก็คือธรรมะธรรมะที่พระเจ้าทรแสดงไว้มีจุดมุ่งหมายเดียว ก็คือดับความรุกลดทอนความรุกหรือพาเราให้พ้นออกจากวงจรแห่งความรุกมันเหมือนกับการเราใช้น้ำลดให้กันศาสตรให้กันเพื่อบรรเทาความร้อนแต่ทุกวันนี้มาากักจะเลยเถิดไปถึงความสนุกสนานลื่นเลิศเพื่อเพลินบรรเทิงใจไปโดยไม่เข้าใจกิริยาอห่งการสาดน้ำกัน เพราะฉะนั้นตามหลักลูกศาสนาผู้ได้เจ้าจะทรงกล่าวสอนในสิ่งที่เป็นสัจจะจะไม่เน้นในเรื่องราวที่ไม่ใช่สัจจะน้ําแอจะบรรเทาความร้อนได้ก็จริงแต่ก็บรรเทาความร้อนได้ชั่วคราวแต่ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนสามารถจับความร้อนขบวนกะายใ น, ในใจิตใจได้ตลอดกาลและก็จับได้อย่างถาวนบุคคลผู้พืชตนให้ถูกต้องตามธรรมปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรม ในหลักธรรมนั้นจะคอยบอกสอนอธิบายเรื่องราวความจริงให้เรารับรู้รับทราบและเมื่ออะไรก็ตามที่ความเห็นของเราตรงกับหลักธรรมแล้วหลักธรรมนั้นเปิดเผยความจริงกับสิ่งที่มันมีอยู่ตามความเป็นจริงให้เราได้เข้าใจการที่เราได้เห็นหลักธรรมตรงตามความเป็นจริงนั้นนั่นเองจะลดคอนแรงแห่งอัตตาในภายในจะลดคลอนความอยากจะ ทำให้เราเข้าถึงการปล่อยวางสิ่งใดก็ตามที่เรายึดอยู่หรืออยู่อำนาจแห่งธรรมจะบอกให้เรารู้จักวางสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นละสิ่งนั้นและสลัดออกจากสิ่งที่ยึดถืออยู่การที่เราสามารถสลัดออกจากสิ่งที่ยึดถืออยู่ได้โดยอาศัยทำเป็นที่ตั้งไว้ในจิตคือให้จิตเราเห็นสิ่งรอบข้างเราหรือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือสิ่งที่เข้ามากระทบกับตัวเราว่าสิ่งใดเป็นสัจธรรม คือทุที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใดเป็นสัจธรรมคือเหตุที่เราจะต้องรับสิ่งใดคือสัจธรรมในความดับไปของเหตุที่เราจะต้องการทําแจ้งและสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติแล้วทุกดับไปได้โดยการปฏิบัติต่อทุกให้ยอมรับปฏิบัติต่อเหตุให้รับปฏิบัติต่อความดับไปของเหตุให้ทําให้แจ้งการกระทาได้อย่างนี้จะทําให้เรามีความเห็นตรงกับหลักสัจธรโดยที่ ไม่ให้จิตของเรามีความทุกข์และไม่สร้างแรงแห่งความคิดบ้านถูมั่นไว้ในภายในยกตัวอย่างเช่นความร้อนที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เมื่อเราเรียนตามหลักอริยสัจแล้วเราจะทราบว่าความร้อนมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นตัวทุกข์ที่เข้ามาสัมผัสกับเราแต่ทุกข์นี้เมื่อว่าโดยสัจจะแล้วมันคือความจริงที่มันมีอยู่อย่างนี้จะมีเราก็ตามไม่มีเราก็ตามความร้อนก็ยังจะมีอยู่และคงอยู่ในโลกนี้ เมื่อเราได้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วมาประสบกับสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกบางครั้งเราไม่เข้าใจในแต่ละสิ่งแต่ละครั้งแต่ละอันในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาแล้วเราก็ประสบพบเจอเราไปคว้าหรือนวลเหนี่ยวและยึดหรือสิ่งเหล่านั้นไว้เอามาเป็นปัญหาของชีวิตจนทําให้เราไม่สามารถสลัดออกหรือปล่อยวางได้เรื่องเราแต่ละเรื่องที่เราน่วลเหนเียวไว้ยึดถือไว้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่วอนที่เราเกิดหรือก่อนที่จะเกิดคือชาติต่อต่อรสที่เราเก็บสะสม แล้วการสะสมมันสะสมในจิตไม่มีวันเต็มไม่มีเงิองมีได้จะสะสมแล้เพิ่มปู่นพ่อปุ่นอยู่เรื่อยๆฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะสามารถทําลายล้างตัวความคิดมั่นถือมั่นตัวที่มันสะสมบูญเหตุแห่งความทุกข์ไว้ในภายในก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวมีวิธีเดียวการเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจหรือแยกประเด็นออกแล้วว่าสิ่งที่เป็นความจรงิงเป็นความจริงอย่างไรสิ่งที่เป็นเหตุ ตามความเป็นจริงว่าเหตุแห่งความเป็นจริงที่มันเกิดมันนํามาซึ่งผลอย่างไรและความดับไปของเหตุที่มันเกิดมันดับไปอย่างไรนั่นคือเราจะต้องเฝ้าสังเกตสิ่งที่มันเกิดกับจิตว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดกับเราแล้วเราได้รับผลผกระทบสิ่งนั้นสิ่งนั้นนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ใป็ประโยชน์นํามาซึ่งสิ่งที่จะทําให้เรา หลงหรือว่ารู้แจ้งแต่โดยทั่วไปแล้วชีวิตเรามากักจะอยู่ความหลงโดยปกติคือสําหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมมาก็ต้องค้อยตามอํานาจของสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองสิ่งอะยทถ้าพวงภายนอกมันมีอํานาจในตัวของมันไม่ว่าจะเป็นรูปก็มีอํานาจในการชักล่าดึงจิตเราไปให้ยึดติดอยู่กับรูปบางบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรายึดถืออยู่อํานาจของเสียงที่ทําให้เราติดยึดทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดี อำนาจของกริ่นรสและการสะทัดพร้อมทั้งอารมณ์ที่เกิดจากจิตสิ่งเหล่านี้มีอำนาจในการดึงจิตดึงใจของเราให้หลงให้คล้อยตามให้โอนไปให้โน้อมไปเอ็นไปและเป็นไปตามกําลังของสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะมีอํานาจเหนือจิตเนื้อ ใ, ใจเราได้เพราะเรามีความไม่รู้อยู่ภายในเราจึงสามารถโอนตามเอ็นตามน้อมตามหรือว่าหลงเป็นไปตาม ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสกับตัวเราและสิ่งที่เกิดกับจิตเราแต่เมื่ อ, อไรก็ตามเพื่อเราเพื่อเราสร้างความรู้แห่งสัจจะหรือว่าความรู้แห่งธรรมขึ้นภายในจิตในใจเรียนรู้อย่างชัดทัดเกณว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสอะไรควรรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งและอะไรควรจเจริญขึ้นเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆด้วยความรู้จักในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและสัมผัสอยู่ความร้อนไม่ใช่กิเลสไม่ต้องไปแก้ เหตุที่เกิดความร้อนที่นําซึ่งความร้อนมาเป็นเรื่องของฤดูการในเหตุภายนอกเราก็แก้ไม่ได้เมื่อปวดฤดูการของมันมันก็จะดับของมันไปเองฤดูการก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วเหตุปัจจัยแต่ละอันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันตราบใดที่มันยังดำรงอยู่ผลนั้นก็ยังมีอยู่เราจึงยอมรับสัจจะในด้านของผลและก็ยอมรับสัจจะในด้านของเหตุเมื่อเรายอมรับสัจจะในด้านของผลและด้านของเหตุในระหว่างที่เรายอมรับอยู่นั้นเราจะต้องมีสติกํากับควบคุมตนเองไม่ให้โหลไปตามอาการ แห่งผลของมันที่มันกําลังเกิดกระทบกับเราอยู่เมื่อเรายอมรับได้ตัวตนที่กระทําต่อต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราทางด้านสัจธรรมนี้เราก็จะลดคอนความเป็นตัวตนของเราลงเราไม่สร้างตัวตนหลงไปตามอาการของสิ่งนั้นๆฉะนั้นแล้วการสร้างความรู้ตามหลักสัจธรรมเป็นสิ่งที่ควรจะสร้าง ขึ้นมาภายในจิตในใจของเราให้มากที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตเรามีทำเมื่อนั้นจิตเราก็จะหมดความฟุ้งไม่มีความฟุ้งและทำมากนี่เองก็สามารถกำจัดฟุ้งในจิตในใจของพระธุรมมาธรรมุนิเจ้าได้กำจัดฟุ้งในจิตในใจของพระอริโยสงสาวกของพระธรรมมาธรรมุนิเจ้าในทางพุทธการได้กำจัดฟุ้งให้กับบุคคลผู้ขึ้นปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่ดําเนินไปสู่ความค้นฟุ้งก็สามารถ ลดทอนวามพุลกลงไปโดยลําดับได้ในขณะที่ปฏิบัติแต่ทำที่ปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นธรรมที่เป็นสาระแก่นสารเรียกว่าสาระธรรมจริงๆทำที่เป็นตัวแก่นจริงๆถึงจะสามารถจับตูดได้และทำที่เป็นแก่นในคำพุทธศาสนาจะกล่าวถึงวิมุติธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความบุญพ้นคือวิมุติธรรมหลักของศีลธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือว่าหลักของการให้ทาน ทนอวตถูกเรียกว่ากิริยาของการทำบุญเรื่องของการให้สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในการแสวงหาปฏิสคือการให้ฐานพ้นจากทุกข์ในชั้นของการแสวงหาปฏิสีนิสินทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในชั้นของการเป็นผู้ปอเว้5ประการเราก็ได้เวลมันีคืองดเร่นจากเรนไทรนั้นหประการเราก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นในอบัยวะผูก สมาธิทำให้เราพ้นความพุกจากความวุ่นวายภายในจิตจิตที่มันวุ่นวายเพราะจิตเราไม่ตั้งมั่นหากเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่โอดเองฟลอยตามอารมณ์แห่งความพุกที่เข้ามากระทบกับตัวตนของเราเราตั้งจิตตั้งใจกําหนดหมายในความพุกนั้นว่าพุกเป็นของครู้เหตุใหเกิดพุกคือความไม่ต้องการความพุกเรื่องเหตุอันหนึ่งที่เราจะสร้างเพิ่มอันนั้นติดขอบกวนละ ความดับไปคือไม่สร้างเหตุเพิ่มความทุกที่จะเกิดขึ้นอีกจากการสร้างเหตุใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเรียกว่าความดับไปของเหตุนั้นก็สามารถดับไปได้เป็นของควของที่แจ้งปฏิบัติต่อทุกโดยการยอมรับปฏิบัติต่อเหตุโดยการละปฏิบัติต่อความดับไปของเหตุโดยการทาที่แจ้งอันนี้เรียกว่ามัดมัดคือผลภางที่เราจะต้องดาเนินแล้วก็ควรจะกระทำไว้ในใจให้มากและกระทำไว้ในใจให้แยกผ่านเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิตั้งมั่นที่จินทีนิดพิจารณาด้วยหลัริยสัจสี อริยสัตวีนี้จะทําให้เราไม่คล้อยตามอารมณ์หรือผลแห่งความทุกข์ที่มากระทบสัตว์เราปัญญาก็จเจริญขึ้นแนะารับเราพ้นจากความหลงงมงายในการยึดถือตัวตนของเราเพราะปัญญาจะเป็นตัวชี้ชัดตัวของเราว่าตัวของเราที่แท้เป็นเพียงแค่ผลรวมมาจากธาตุสี่น้ไฟลมจิตของเราที่แท้เป็นเพียงแค่ผลรวมมาจากนา ม, มะขามสีคือเวทนาสัญญาสังขารยินยานเท่านั้น ทั้งกายทั้งจิตต่างก็คือผลรวมทั้งลูกดับนานที่เกี่ยวโยงหรือยึดโยงกันอยู่เมื่อตัวของเราทั้งหมดเป็นเพียงผลรวมของการปรุงแต่งเราก็จะเกิดปัญญาในในความอรอำรู้ในตัวของเราเองแล้วปัญญาอ น, นั้นก็จะชี้ชัดให้เราได้ทราบไม่ให้เราหลงยึดตัวกายซึ่งเป็นธาตุสี่ทีน้ำไฟลงว่าเป็นของตนเพราะกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมโดยธาตแท้ของมันมันเป็นอยู่แล้ว จิตเป็นเพียงแค่น้ำที่เกิดป้ากดและก็ดับไปชั่วครา้ชั่วคราวแต่เป็นการเกิดอย่างสืบเนื่องเราจรงหลงและเข้าใจว่าจิตนั้นยังคงอยู่จิตนั้นมันมีอยู่เป็นธรรมาติที่คงที่แต่แท้จริงแล้วจิตก็ไม่ได้คงที่อะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นการฝึกเรียนรู้กายและเรียนรู้จิตตามความเป็นจริงในหลักธรรมที่วมทรงสอนคือเห็นภาคแท้โดยที่สุดแห่งกายต้องตกไปสู่ความเป็นธาตดินน้ำไฟลมแน่นอน โดยที่สุดแห่งความเป็นจิตก็เป็นเพียงแค่นามที่เกิดปาปากรรับรู้อารมณ์แสดงความสูกบ้างผูกบ้างไม่ถูกไม่สูกบ้างแสดงสภาพแห่งการทรงจําบ้างแสดงอาการแห่งความคิดและแสดงเรื่องราวแห่งการรับรู้ปรากฏในภายในรวมกันทั้งหมดนักปรุงแต่งเป็นเรื่องราวขึ้นอยู่ในจิตของเราแล้วเราก็ยึดถือเรื่องราวเหล่านั้นไว้โดยไม่รู้จักการปล่อยวางเพราะเราปฏิบัติผิดและไม่รู้จักตัวนามนี้ตามความเป็นจริงฉต่นั้น เมื่อเราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจทางด้านรูปประธรรมคือใจนามธรรมคือจิตอย่างของแท้จิตเราจะเกิดปัญญากเพื่อที่จะไม่หลงมัวไงและก็จะสลัดออกจากการยึดถือเมื่อจิดตดวงใดก็ตามที่สลัดออกจากการยึดถือได้จิดตดวงนั้นจะเป็นอิสระจากรูประนามจิตที่เป็นอิสระจากรูประนามเป็นจิตที่ควรค่าแก่การบรรลุธรรมอุตคีตสิ่งพวกก็คือโสดาบันสกาธาคารีอนาคารีแล้วก็ อรหันต์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในจิตของบุคคลผู้พึ้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ในโอกาสนี้พวกเราได้ให้ความสำคัญในวันเวลาวันสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยพร้บรมไมาร่วมกันทาบุญให้ทานถาวายเครื่องพยาทานแต่สงตารรบุญกุศลและก็ปราบการกฟังธรรมก็ขอให้พวกเราได้นำำาธรรมะที่ได้แนะนาไปนี้ เข้าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของตนปัญญาของเราก็จะได้เข้าใจความเป็นอยู่ของชีวิตและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยสติกับปัญญาเราจะไม่ใช้ความรู้สึกไม่ใช้อํานาจของตังหาจะไม่ใช้อานาจของความอยากใดๆเพราะเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความรู้สึกเป็นตัวนําทางใช้ความอยากเป็นตัวกําหนดหมายในสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการ เราก็จะผวดสุดภายใต้บังวนแห่งความหลงผิดและนั่นคือเส้นทางแห่งวัตภุกที่จะสืบเนื่องออกไปจากจิตเราไปสู่ภพหน้าชาติหน้าอย่างหาที่ซึ่สืดไม่ได้ฉะนั้นจงใช้หลักของสติคือตั้งการและรับรู้ในหลักของอริยสัจสีรู้ทุก์โดยความเป็นทุกข์รู้เหตุว่าเหตุเพื่อสร้างขึ้นต้องนํามาสึ้นทุกแน่นอนรู้ความดับไปของเหตุว่าเหตุนั้นสามารถดับไปได้รู้ความปฏิบัติต่อ ทุกต่อเหตุและต่อความดับไปของเหตุอย่างถูกต้องเป็นการเจริญมากมากที่จะถูกเจริญขึ้นแล้วจะทําให้เราไม่ใช้ความอยากเข้าไปกําหนดสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราสังเกตดูดีๆเรื่องบางเรื่องแม้เราจะอยากให้เกิดขึ้นกับเราตามความปรารถนาและสมใจอยากของเราบางครั้งมันก็ไม่ได้รับตามความอยากเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้อยากแต่มันก็เกิดเพราะนั้นความอยากมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น เครื่องกาหนดไหมายในสิ่งที่เราจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่การที่เราจะได้รับหรือไม่ได้รับมันมีมูลเหตุของมันอยู่แล้วมูลเหตุอันนั้นบางครั้งก็มาจากกา ร, การทําในปัจจุบันนี้ด้วยบางครั้งก็มาจากเหตุในอดีตชาติด้วยบางครั้งก็เป็นการอนวยผลของวิบากกรรมแต่ปางก่อนด้วยอันนี้มันหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยทุกคนบางความเจริญในชีวิตแต่ความเจริญไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าการจะทําเหตุนั้นยังไม่เพียงพอต่อการอำนวยผลให้เราได้รับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเหตุนั้นเพียงพอต่อการอำนวยผลที่จะได้รับในภาวะปัจจุบันเราก็จะได้รับปัจจุบันก็เห็นชัดประจักษ์ชัดในปัจจุบันแต่หากเมื่อใดที่เราสร้างเหตุไม่เพียงพอในปัจจุบันผลนั้นก็จะส่งไปในอนาคตการําว่าอนาคตการก็ไม่ต้องไปตกใจเราอาจจะไปคิดว่าชาติหนะ้าอนาคตการก็เป็นคงจะเป็นกรุงนี้ก็เป็นอนาคตหรืออีกชั่วโมงหน้าก็เป็นอนาคต มันอยู่ที่การสร้างเหตุในปัจจุบันของเราแล้วเหตุที่เราสร้างนั้นหากประกอบด้วยจิตที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าเรื่องใสยอย่างแรงกล้าโน้มกิดโน้มใจกระทําอย่างแรงกล้าด้วยความเคารพด้วยการสักการะด้วยการนับถือเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เชื่อมั่นในอํานาจพระราชนิยมเชื่อน้ำมั่นในผลของทานผลของศีผลการของการทาสมาธิและผลของการเจริญปัญญาเชื่อมั่นในหลักของอริยสัจธรรมเชื่อมั่นใน ปฏิปท า, าการดำเนินตามหลักอริยสัจสี่ตามมรรคแปดที่ว่าจะสามารถทําให้เราก้าวค้นแห่งความทูกข์ได้กระแสแห่งกิจที่ปักกิตปักใจเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าอย่างนั้นจะทําให้เกิดผลได้เร็วได้ประจักษ์ชัดในปัจจุบันสังเกตได้จากพระ อ, อริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ภาพเพี้ยนเชื่อมั่นตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพุ่งเทแรงกายแรงใจในการกระพฤติตามคำที่พระองค์ทรงสั่งสอน ผลก็ปรากฏในปัจจุบันนั้นคือความเป็นโฉดราบันปัจจานาคานีานาคานีและอารันเป็นสีที่กระทำให้เกิดขึ้นได้นในปัจจุบันแต่หาบุคคลใดก็ตามมีความเชื่อมั่นแต่ไม่แรงข้าพออ่ อ, อนๆเป็นศรัทธาแบบ อ, อ่ อ, อนๆสมาธิแบบอ่อนๆปัญญาแบบ อ, อ่ อ, อนๆม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะคือปัญญามันไม่มากพอคือบา ร, รมีทางปัญญาบา ร, รมีมันไม่เต็มมันก็จะส่งผลไปร่ล้วนพบหน้าชาัดแน่แต่สิ่งที่เราทำํำในสิ่งที่เป็นคนงามพวมดีไม่ได้หายไปไหนความชั่วก็ไม่ได้หายไปไหน ความดีก็ไม่ได้หายไปไหนเส้นทางแห่งออกไปจากปัฏิหาที่เราสร้างขึ้นก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ในจิตในใจซึ่งเป็นที่รวบรวมและสะสมการกระทําทั้งหมดที่เราได้กระทําตลอดทั้งชีวิตสะสมไว้ในตัวจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละคือตัวที่ดําเนินไกิจสุขชาติจิตนั้นเป็นตัวสิ่งที่รู้จักดีไม่ดีบุญบาปผูกผิดด้วยตัวของจิตเองจิตรู้แต่บางครั้งมันทําทำดีไม่เป็นสนไม่สนใจแต่มันรู้อยู่ภายใน มันรู้อยู่แล้วอะอะไรดีไม่ดีอะไรพราะทำแล้วมันนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยอะไรก็ทําแล้วนํามาซึ่งความสุขความเบิกบานมันก็รู้ว่าดีมันรู้อยู่แล้วมันมีธรรมชาติในการรับรู้อยู่ภายในตัวของมันเมื่อเราถูกแดดเราก็ร้อนมันรู้อยู่แล้วว่าต้องร้อนไม่ถูกแดดแล้วไม่ร้อนเป็นไปไม่ได้แล้วก็เข้ามาร่มเราก็เย็นอย่างเงี้ยคือเป็นธรรมชาติแห่งการรับรู้ในการรลกเปลอยู่แล้วยังไงว่า สิ่งเหล่านี้จะไม่หายไปไหนตราบเท่าที่เรายังหาข้อยุติในการเป็นใบเรียนใบใจเกิดไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องหาข้อยุติในการเป็น้ใตายเกิดของจิตนี้ให้ได้แล้วทํำยังไงถึงจะสามารถยุติการเป็นใบใจเกิดของจิต ไ, ได้เรียนรู้อริยสัจธรรมตามที่แนะนําไปจนกว่าจิตจะสัมผัส ก, รรกับพระนิทานตั้งความเคารพในสัจธรรมให้แรงกล้าตั้งความเคารพในพระธรรมกายให้แรงกล้าตั้งความเคารพในการปฏิบัติธรรมให้แรงกล้า สร้างแรงจิตแรงใจพุ่มเพยในการประพฤติปฏิบตัติตามหลักธรรมของพุทสามาสมพุทติเจ้าไม่ว่าใครผู้ใดก็ตามเมื่อมีความตั้งใจมุ่งมา่ปราสนาที่จกะกระประพฤติตนตามหลักคําสอนอยู่โดยไม่พอแท้อ่อนแอผู้นั้นจะสามารถก้าว่วงความทุกขที่มีในชีวิตได้จริงและอ่อนยืนยันว่าการเข้าถึงธรรมอันเป็นที่พ้นทุกนั้นสามารถประพฤติเข้าถึงได้จริง สัมผัสได้จริงในปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความภาวเทียนของเราเองอันนี้ก็ให้เป็นแงกคิดในโอกาสของวันสงกรานต์ซึ่งคือปีใหม่ที่พวเรารับู้รับทราบรับ้าใใครมีข้อสงสัยที่จะถามในองค์ทำข้อธรรมนี้นะค่ะกพระอาานะคะคือในกร น, นีของหนูเนี่ยนะคะอยากจะสอบถามแพระว่ามันเป็น ปัญหาที่อยู่ในใจนยังไม่ได้คําตอบอะค่ะคือหนูค่อนข้างที่ได้เคยไปปฏิบัติธรรมพอสมควรไม่ได้พอสมควรบ้างเล็กน้อยกี่ปีประมาณแค่สามสามีปีค่ะจากจุดที่เริ่มเข้ า, าไปตั้งแต่น<ช>ัน้น ค, คือประมาณ3าปีค่ะค่ะหนูปฏิบัติายของหลวงพ่อจารย์แล้วนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูได้นั่งสมาธิแล้วกําหนดด้วยพุโทโธ พูดโธจากนั้นเสร็จปุ๊บจิตพุงแว บ, บออกไปแล้วก็กลับเข้ามาต่อพุดโธจากนั้นมันเกิดสภาวะที่มันเหมือนกับะจะอธิบายว่ามันเหมือนกับจุดสัมผัส บ, บางๆอะคะ่ะที่จิตของหนูพุดโธมันหายไปเลยแล้วมันก็เป็นอากาศทากว่างตัวเบาว่างทุกสิ่งอย่างในรอบนี้เป็นสีขาวสาดบริสุทธิ์แต่หนูก็กาลังรู้ตัวว่ายาหลงสีขาวให้รู้ว่าสีขาวแล้วหนูไม่รู้ว่าสภาวะตรงนั้นมันเกิดขึ้น Oh, okay. เพราะเหตุใดอะค่ะเกิดขึ้นด้วยองค์ของสมาธิเพราะการบริกรรมมันจึงเกิดขึ้ น, น mm hmm. เมื่อบริกรรมพุทโธจนทาบริกรรมนั้นหายไปก็จะปรากฏเปดีย์มิตร <Okay. S 2> ในสมาธิ จ, จะมักจะมีนิมิตซึ่งเป็นองค์ประกอบของจิตเพื่อสร้างจิตให้อยู่ในองค์ของภพพูดได้ง่ายว่าสมาธิคือองค์ของภพในจิตอย่างหนึ่ง mm hmm. แล้วเป็นภพในจิตอย่างหนึ่งแต่เป็นภพ ก็ดีในชั้นผู้สร้างรรมแต่ไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์ค่ะแล้วก็ในทุกๆคนนี้นะค่ะอาจารย์ถ้าก่อนนอนเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรที่ผิดปกติมันรูคเขาหรือเ่าก่อนนอนในทุกคืนนะคะหนูจะบอกกับตัวหนูงว่านักประชาสีงงเธอไม่มีพ่อเธอไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องเธอเกิดมาเพื่ออะไรที่มันจะดีนะคะเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง ช่วยเหลือบคคลอบข้างหรือธนูบำรุงพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนสิ่งที่มันจะดแต่แต่หูจะพูดทุกคืนไม่ซรอนหรือคิดอะไรก็มีแปลกมาจากปกติก็ไม่แปลกมันเป็นเรื่องเราและเส้นทางที่เราสร้างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็สร้างต่อในสิ่งที่เราเคยตั้งปฏิปานไว้แต่ก่อนดๆลูกมันสิ่งเหล่านี้มันข้ามภพข้ามชาตได้และเราสามารถทําต่อได้ไม่ว่าจะไปเกิดในชาติไหนความรู้สึกนี้จะกระตุ้นเตือนให้เราอธิษฐานจิตรับตั้งความปรารถนาอย่างนี้อยู่เสมอ ไม่ได้ผิดปกติและถ้าเกิดสมมติว่าหนูคิได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าอย่างถ้าอาจารย์จะมีอะไรแนะนาหนู้ราะว่าจะดาเนินต่อไปอย่างไรที่จะให้ฌาน ห, หรว่าสเกของเราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงนะคะในเรื่องของว่าสะสมสารที่อย่ใง ถึงความแก่กล้าโดยลําดับไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิและปัญญาจนกว่าความแก่กล้าในการพิจารณาของเรานั้นสามารถเข้าไปถึงตัววิมุติธรรมได้มันอยู่กับการสร้างอิทการพิจารณาในหลักอริสตธรรมเนี่ยให้เข้ากับสิ่งที่เองกําลังกระทาอยู่ให้ให้มันเรียกว่าสอดคล้องกันอย่าแยกประเด็นในการปฏิบัติว่า สมาธิเป็นส่วนหนึ่งปัญญาเป็นส่วนหนึ่งหรือสีเป็นส่วนหนึ่งแค้ที่จริงแล้วสีสมาธิปัญญามันรวมอยู่ในขณะจิตเดียวกันนั้นไม่ได้แยกองไม่ได้แยกส่วนมันรวมอยู่ในสภาพเดียวกันเพียงแต่ว่าจิตของเราเ ย, ยังไม่เห็นอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงมันจึงยังไม่สามารถเข้าไปสัมผัสสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันเป็นที่ดับความฟุ้งซึ่งมีอยู่เป็นอักษรขตธรรม ในธรรมชาติามีธรรมชาติจะมีสองด้านด้านสังขาร ก, กับอาสังขารด้านสังขาร ก, ก็คือมนุษย์เทวดาสัจเะชันพรหมเขตที่มีสาวุตกายเนี่ยคือด้านสังขารด้านอาสังขาร ก, ก็คือนิพานโดยส่วนส่วนเดียวอาการนอกนี้นอกจากทิพานนี้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสังขารธรรมหรือพูดง่ายว่าเราอยู่ในส่วนของสังขารธรรมทั้งชีวิต ทำแห่งการปรุงแต่งตลอดทั้งชีวิตเมื่อเราอยู่ในส่วนของสังขารธรรมผู้เจ้าจึงบัญญัติเขาวทุกอยู่ในสังขตรธรรมนี้และบัญญัติความทนทุกในอักสังขารธรรมเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบที่จะเดินไปไปถึงอสังขารตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงอสังขารทำที่พ้นจากการปรุงแต่งเพราะแม้มีศีลผู้เจ้ายังไม่ได้บอกว่าการมีศีลจะทนทุกนะมีสมาธิองค์ไม่ได้บอกว่าทนทุกนะ มีปัญญาพระเจ้าบอกไม่ได้พ้นกนั้นแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นการสะสมทางด้านปุศตรกิจที่เข้มข้นไปตามลําดับเพื่อที่จะเกิดกําลังจิตแก่กล้าให้เห็นอริยสัจธรรมและอริยสัจธรรมนี่แหละจะทําให้เกิดวิบูตรวิบุตรนั้นจึงจะสามารถสัมผัสกับอ ส, สังขตะกรือทันิพานได้จิตดวงนั้นจะรู้และแยกแย ก, กออกและจะเห็นทั้งส่วนวิบุตรอ่าส่วนทั้งในขณะที่จิตวิบุตรนั้นจะมองเห็นทั้งส่วน อสังขารและสังขาตรพร้อมกันขนาดเดียวกันจะมองเห็นทั้งสองส่วนแต่จิตดวงใดก็ตามที่ยังไม่เห็นอสังขาตะจะเห็นแค่ส่วนเดียวคือสังขาตรคือความที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตที่ลงสู่สมาธิเพื่อทำบริกรรมจึงเกิดมีภาวะแห่งการปรุงแต่งเพราะมันเป็นสังขารอยู่แต่ถ้าตามได้นะที่จิตไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอสังขารมันจะไม่มีมิติปรุงแต่งอีกนะแม้ว่า ทำบริการหายไปและจิตไป อ, อยู่ความว่างแต่เมื่อไปสัมผัสกับความว่างนี้แล้วมันก็ยังมีตัวอื่นปรุงเข้ามาเพราะมันอยู่ในส่วนของสังขต่างอยู่ศีลสมาธิปัญญาเป็เรื่องของสังขตธร ร, รมหรือ ว, ว่าสังขารธรรมจัดอยู่ในฝ่ายของสังขา ร, รดีมุตคือพระนิพพานเป็นสังขารต่างโดยส่วนเดียวเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือที่พ้นทุกคืออยู่ที่ตรงนั้น แต่เราอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเพื่องดเนินไปเหมือนกับการนั่งเรือข้ามฟากงั้นถูกมาถูกทางก็มาถูกทางค่ก็คือมาตามธรมาิมาตามนเนี่ยก็ถูกคนหลงทำการคลงอยู่แล้วแล้วคนหลงเขาตป้ช้ากระนันมีกอีกมาหลายครั้งแล้วไม่ยุบหลงอยู่เป็ไรข้อลงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ตองเรียนกิจเกิดนะ มาใหม่ไม่ไม่ไม่ถูกมาใม่ไม่ถูกไม่โดนเยนะถ้าเป็นกันหมดลตงา่อเนี่ยถึงจแ่าไานอร่ินเขาถูกทนเนะทนี้ก็จะเห็นด้วยเลขาเห็นพร้อมกันในขณะที่เห็นจะเห็นอาังกะตาคือพระนิพานพร้อมด้วยสังคตาในขณะเดียวกัน ใช่งไหมขโซดาบันขึ้นไปจะเห็นแต่เห็นไม่นานเห็นขนาดหนึ่งพอให้ตัดความสงสัยที่เป็นตัววิจิกริชัยเนี่ยขาดออกไปจากความรู้สึกในจิตจะเห็นขนาดหนึ่งคือมันจะมีขนาดที่โสดาปฏิมาทำหน้าที่เต็มที่มัคคิจดวงนั้นเห็นยิพานปั๊บมันก็จะพบควนอสังขารทันทีคือเห็นยิพานปั๊บมันจะเห็นเหมือนกับว่า คนที่เคยเห็นแต่สีดําอย่างเดียวเขาไม่รู้จักสีขาวเนี่ยเขาจะสามารถเทียบได้ไหมว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่เนี่ยเอาอยคนที่อยู่ในความมืดโดยที่ไม่เคยเห็นแสงสาว่างเนี่ยเขาจะรู้จักไหมว่าระหว่างแสงสาว่างกับความมืดเป็นยังไงไม่รู้จักแต่เมื่อใดก็ตามที่คนอยู่ในความมืดมาโดตลอ ด, ดชีวิตเนี่ยไปเห็นแสงสาว่างปุ๊บเขาจะพูดถึงแสงสาว่างเปรียบเทียบกับความมืดได้ว่าคืออะไรนั่นคือมิตาอะมิตา แสงสว่างนั่นก็คือิพยาใช่เพราะสวดอบันจะเห็นแสงสว่างอยู่ขณะหนึ่งจึงสามารถตัดความสงสัยและทําลายความหลงกิดอย่างองมงายและทําลายความยึดถือกิดในกายได้แล้วแม้เขาจะอยู่ในฝ่ายของสังขารธรรมก็ไม่ไปสู่อบายวุมและในภพที่แปดจะดับไป<แ>เหลือแค่เจ็ดภพเท่านะั้นที่จะทาให้ดำเนินกิดไปแล้วก็ไปสิ้นสุด อยู่ที่พบที่7ยุติการเป็นปาฟการตายเกิดทั้งมวลได้เพราะนั้นพระโสดา บ, บันจะมีเครื่องเทียบอยู่ในจิตตลอดเวลา<ม>คือเขาเห็นอสังขตัรมาแล้วด้วยด้วยกระแสราพระพิพานพระโสดา บ, บันจะเห็นนะแล้วพระโสดาบันจะจะไม่สงสัยในกระแสพิพานนี้ว่ามันคืออะไร<ม>กระแสพิพานไม่ใช่แสงไม่ใช่สีไม่ให้ไม่ใช่ภาวะที่เป็นนิมิต เป็นอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่นวลเหนียวอสังคตะเป็นอารมณ์เพราะพระโสดาบันนั้นยังไม่บรรลุถึงจึงต้องใช้อาการนวลเหนียวดึงเอามาเป็นอารมณ์อาังคตธรรมเป็นอารมณ์กระแส เ, เรียกว่ากระแสตัวรอดะตัวรอดประมาณกับตัวรอดตัวที่ตัวรอเขาาเรียก ว, ว่าอะไรอายตนะก็ได้จุดเชื่อมต่อระหว่างจิตกับจิตทากับกระแสนั่นอะ เชื่อมต่อแล้วก็พอเชื่อมต่อกันขนาดหนึ่งเพราะมัดทำหน้าที่ในการเปิดกระแสเปิดประตูพระนิพพานให้จิตได้เห็นให้รับทราบเ <Okay. S 1> มื่อมัด mm hmm. โสดาปฏิมาคทาหน้าที่ในการเปิดกระแสนั้นแล้วกระแสนั้นศาสตร์เข้ามา mm hmm. เชื่อมโยงกับจิต mm hmm. แม้ขนาดเดียวก็ตามจิตจะไม่สงสัยตลอดชีวิตเลยสิ้นชีวิตก็ไม่สงสัยจะมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดชีวิตจะไม่สงสัยอะไรไม่สงสัยพระนิพพาน ไม่สงสัยในหนทางของการปฏิบัติไม่สงสัยบุญไม่สงสัยบาปไม่สงสัยอะไรคือพ่อเท็พพ่อจริงอะไรคือสัจจะอะไรไม่ใช่สัจจะไม่มีเรื่องที่จะต้องสงสัยภายในจิตแต่สงสัยในธรรมนะสงสัยเพราะยังมีสังโยชน์อีกเจ็ดพอครอบงาใจอยู่เพราะว่าพระสูตรอวังทำารสังโยชน์มีได้่อแค่สามิดที่รู้กระแสปริที่พานในข่าวแรกจักเป็นไปในภพเกิดภพเท่านั้น ไม่เคยพบที่เจ็ดไม่เคยที่แปดาเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าจิตพระโสธิบันญัเมื่อสัมผัสกับพระนิพพานแล้วจิตจะ น, น่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลารู้จักคาว่าน่วงเป็นอารมณ์ไหมเหมือนกับเราเสียใจอะไรบางเรื่องแล้วเราจะเก็บเรื่องนั้นมาคิดอยู่ตลอดเวลา หรือสุขใจในบางเรื่องแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นมันติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเบิ่อฟังใจอยู่ตลอดเวลาพัฒญ์พนันยิ่งกว่านะั้นเขาเปรียบเหมือนกับโผลแม่ลูกอ่อนที่คลอนลูกใหม่ๆเวลาไปกินยญ้าเที่ ย, ยวสองสามคำก็หยุดแล้วก็เอาเอาหูฟังอยู่ตลอดลว่าลูกเรายังอยู่ไหมได้ยินเสียงลูกไหมคือแขงใจฟังอยู่ตลอดนะ ญาสดตั้งจิตรับฟังอยู่ตลอดลว่าลูปเราเป็นี้งไงว่เคี้ยวไป2องคหันไปดูเคี้ยวไปสองคหันไปดูเหมือนกับกังวลอยู่กับความปลอดภัยของลูกหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะเขาบอกว่าจิตของมารดาที่ลวงเหียวถึงลูกที่ตนวลูกคอดใหม่นะลวงเหียวอยู่ตลอดเวลาฉันใดจิตของบุคคลที่เข้าถึงกระแสพันิพัณฑ์ในเบื้องต้นจะลวงเหียวเอาพนัพานธิภัณฑ์เป็นอารมณ์ยางนั้นอยู่เสมอเป็นธรรมชาติ ยีชั่วโมงเลยคอาจารย์ยีิบสี่ชั่วโมงนี่คือคือสิ่งที่จะเห็นได้ชัดแา่ถ้าบางครั้งมันคิดจะเป็นบางบางครั้งบางบางช่วงบางช่างบางบางครั้งเราก็คิได้บางครั้งก็เกิดจากกอารมณ์หรืออ๋อเป็นธรรมดาภาษาที่มาร์กาทบกับครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่เขาจะมีเครื่องเทียบอยู่ในจิตตลอดว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ คือเราเข้าไปทับว่านี่คือกุศลนะเนี่ยกุศลก็ทักอยู่แต่ว่าบางทีมันก็ลืมบางทีก็นึกได้ก็ตาถ้าจิตที่เข้าถึงพระนิพพานนั้นจะไม่มีทางลืมพระนิพพานมันน่วงเนียวอยู่ตลอดเวลาดวงเนียวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ตลอดนะมันยังไม่เหมือนพระพระอรหันต์นะหมายถึงว่ากระแสพระนิพพานที่สัมผัสกับจิตเขาจะไม่หลงลืมพระนิพพานนั้นเลยตลอดชีวิตในความหมายคือไม่หลงลืมแต่ไม่ใช่ว่าพระนิพพานปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่ กระแสที่เขาสัมผัสได้เขาจะไม่หลงลืมเลยตลอดชีวิตมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในจิตตลอดเวลาเหมือนกับว่าที่เข า, าพูดเหมือนกับว่านันหมายถึงว่ามันมันเราลองรับจิตเราอ ย, อ, ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลองรับจิตอยู่โดยแม้จะไม่ตึกยึดมันก็ยังรับรู้รับทราบเป็นนิสัยไปเลยหรือเปเป็นนิสัยมันลองรับเป็นอัธยาศัย อาจารย์ก็ยังอวิชาแปดใช่ไหมะแล้วทีนี้คนที่ได้สมดาวปฏิบัติถึงเนี่ยเอวิชาแปดที่จะได้ประมาณสักก่ซน์นหรือว่าหมดไปแปดใช่ตั้งแปดข้อเลยใช่แปดข้อแต่หมดในชั้นของสกยิติิิชารธิรภาษาามาแต่ก็มีระดับจริมันมีระดับอวิชาแปดคือไม่รู้แปดไม่รู้เอาวิชาแดในสกยิตีิจิกิชาร์ธิรภาษาบาลามาไม่รู้ในกาัละค่ะสดีค่ะ ไม่รู้ในรูปละข้าอรูปละข้าอุปัชฌามาตอวิชชาเขาบอกไม่รู้คือไม่รู้8อย่างใช่ไหมหมดแปไม่ใช่ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับของทุกข์ไม่รู้ทางที่จะปฏิบัติต่อทุกข์อวิชชาปฏิบัติที่จะดับความทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักปฏิทูปาป8อย่างคําว่า8คืออวิชชาเนี่ยคือต้องพูดถึง8อย่างนะถ้าพูดถึงอวิชชาปั๊บนึกถึง8ข้อนี้ที่มันครอบงาอยู่ใในนจเเรรรราาาคคือวมมไู่้8ปะกีย เบื้องต้นคือไม่รู้สักายติทินิจิกิชาศิลปตะปรามาเพราะไม่รู้จึงหลงและยึดและกระทำผิดล่วงอกุศลอยู่เสมอเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทําจนไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดความถูกเมื่อพุทธศาสนาสอนความผิดพวามถูกให้ได้แยกแกะเป็นประเด็นออกแต่ละประเด็นว่าอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤอะไรควรละอะไรควรทําอะไรควรกรริญขึ้นอะไรควรเวทอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ เราก็เริ่มจะมองแยกความดีความชั่วออกจากชีวิตนะเออพอรู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วก็เริ่มเวน้นเว้นเว้นออกมาใช่ไหมละ่ะอันนี้ในในส่วนของโลกียธรรมนั่นเองยโลกิยานะครับส่วนในตัวของอวิชชาซึ่งเป็นเชื้ออยู่ในภายในที่ไม่รู้แปดอย่างอ่ยไมรู้แปดอย่างในเบื้องต้นเนี่ยคือไม่รู้สักายยทิฏฐิวิจิกรชาสิรวัตตะปรามาเมื่อไม่รู้จากสิ่งเหล่านี้ในแปดอย่างเราก็ ติดอยู่ในวัตถะที่เบียนไหตายเกิดอยู่เนี่ยหาที่ซึ่ไม่ได้เมื่อพระสวดาบันทําลายความไม่รู้แปดอย่างในชั้นของสกยติสติวิจิกิชาสิลพัตตรารามาได้แล้วก็จะเหลือความไม่รู้คืออวิชชาในชั้นสูงขึ้นไปอีกตามสัโยตสัโยตมีกี่พ่อสัโยตมีอยู่10บพ่อฉะนั้นจงจำไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนให้ละมีอยู่10ประการอย่าไปละเกิดตัวนี้และอย่าไปละต่ำกวนี้ แต่เบื้องต้นรักษาปกะยที่ผิวิจิกิจชาศิลป์พตปรามาหาก่อนละความเห็นผิดในกายความหลงกิดอย่างงม ง, ง, งายความสงสัยที่นําไปสู่ความหลงกิดตัวเนี้ยแก้ออกจากกิดไม่ได้ก่อนการาระลักการระลักคร า, าบตะลิขะเอาไว้ทีหลังไม่ต้องไปสนใจที่จะละมันมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจที่จะละ mm hmm. นั่นไม่ใช่หน้าที่ของกุฎุชน หน้าที่ของบุรุษชนคือละสังกตุที่ทิดวิจิตีกิจใช้ดนี้เรามามากมาการบรราับปฏิฆาเป็นเรื่องของข้าศนดาบันที่จะเข้าไปละเองท่านจะทําหน้าที่ในการละด้วยอริยสัจจะทำหรือด้วยความรู้แปลกประการท่านก็จะเป็นกำหนดรู้ด้วยกําลังของโซดา ป, ปฏิผลที่มีอยู่ท่านจะเกิดกําลังในการละในสัญญอันต่อไปแต่ถ้ายังเป็นบุรุษชนอยู่จะไปละตามไปละความโกรธความหลงไม่มีทางข้ามขั้นข้ามขั้น กำลังของบุรุชนไ ม, ไม่ถึงที่จะเข้าไปละมันต้องอาศัยกําลังของโสดาบันก่อนเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปตามลำดับสกัดจิตก่อนบางคนบอกว่าคานาแหง่งจิตมันไม่มีหรอกละมันทีเดียวเลยเอวิชาตัวเดียวจบหมดบรรลุจบกิตทุกอย่างไม่ผ่านโสดาบันสกัราคะเนีานะคะมีไปเอาละหันเลยทีเดียวอันนั้นอาตมาไม่แน่ใจ ในคำเก่าของบุคคลผู้เก่าวอย่างนั้นเพราะสิ่งที่อาตมาปฏิบัติอาตมาปฏิบัติมาตามลําดับท่านอย่างนี้คือเห็นกระแสธาติพานแต่ละลําดับมันไม่ใช่พุ่งเปื้อไปทีเดียวไปสําเร็จทีเดียวเลยไม่เ <c oughs> บ็ดแต่เราตามานะแต่สำหรับคนอื่นไม่แน่ที่เขาบอกว่าอาสนะเดียวแต่อาสนะเดียวยังไงก็ต้องมาทานลําดับนี้อาตมาเชื่อว่ายอย่างนั้นเชื่อว่ายอย่างนั้น จาต้องเหมือ น, นับหนึ่งะครั บ, <N> บมันคือ เ, เรื่องปั จ, จตงังของพวกนี้อ๋อเป็นปต่จักการบางคนทําได้คนระับไปถึงอ๋อปั จ, จตังนี่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะนเป็นเรื่องของของเขาเองของเขาเองฉะนั้นใครจะเข้าถึงอย่างไรแบบไหนเป็นเรื่องเฉพาะตน <c oughs> แต่การกล่าวสอนก็จะกล่าวสอนตามหลักว่าการละนั้นละสิประการนี้เพราะอะไรเพราะวิจ้าตัดไว้ชัดเจนว่าลักษักยทธิถิวิจิกิจชาร์ศิลปะปรามาเรียกว่าสุดาวัน ยืนยันตายตัวพระองค์ทรงเป็นตัดไว้เป็นคากำกับตายตัวแล้วโสดาบันลักได้โดยการทํร า, ทาศัาาากย์ิิธีวิธีวิชาศีลพระตถาภารม้ให้หมดไปเพราะนั้นเองนะอยากเป็นสกทาคามีก็ลกักกรรมราค า, ก, า, ากับอินทรีให้เบาบางอยากเป็นอนาคามีก็ลักให้เด็ดขาดอยากเป็นอนาขันก็ทําลายรูปละขะรูปละขะรูปทจัดทำมาณอวิชชาทีนี้จะทําลายกันยังไงจะลักกันยังไง เรียนรู้อริยสัจธรรมสประการคือเรียนรู้ภูมิใช่กายนี้มีภูมิเมื่อรู้ว่ากายนี้มีภูมิเหตุของกายมาจากไหนเรียนรู้เหตุเหตุของการมีกายมาอย่างไหมาจากการที่ไม่รู้กายใช่ไหมล่ะไม่รู้จากกายเราก็มารู้จากกายรู้ยังไงรู้กายโดยความเป็นธาตุสี่จิตเป็นภูมิเหตุของความมีจิตคืออะไรจิตมันมาได้ยังไง มันเกิดขึ้นมาจากไหนจิตนี้มีผู้กระทําให้เกิดหรือเกิดเองหรือว่าเราไปจับจองจิตตัวนี้ไว้มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วไปสร้างความเป็นตัวตนในจิตแล้วเราผู้ไปยึดจับในจิตนี้เป็นใครมีไหมตามหลักขุอสัาไม่ได้กล่าวถึงบุคคลผู้ไปยึดจับจิตแต่ตามหลักขุอสัากล่าวว่าจิตประกอบมาจากเจตสิตเกเจตสิกคือธรรมชาติปรุงแต่งจิตธรรมชาติเราใดปรุงแต่งจิต ธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตสิกธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายก็คือมหาพูทธสีปรุงแต่งให้มีรูปร่างกายของความเป็นมนุษย์คือดินน้ำไฟลมเป็นมหาพูทธสีธรรมชาติที่ปรุงแตง่งจิตคือเจตสิกฉะนั้นกายคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมาจากรูปจิตคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมาจากเจตสิกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะถูกปรุงแต่งขึ้นจึงมีไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีแต่ เมื่อภาวะชีวิตของเราอยู่ในภาวะของการปรุงแตง่งมันจึงมีอยู่โดยการปรุงแตง่งและเราไปหลงสิ่งที่มีอยู่โดยการปรุงแต่งว่ามีอยู่จริงเป็นตัวตนจริงเป็นเราจริงเป็นของของเราจริงจึงมีทิฏฐิเขาไปยึดจับตัวบุคคลทางด้านกายและตัวจิตทางด้านานามไว้ว่าเป็นตัวตนของตนเองสังเกตทิฏฐิคุณครอบนาทั้งหมดเมื่อใดก็ตามที่เราพิจารกายอย่างของแคบพิจารกายอย่างแจ่มแจ้งพี่นราจิตอย่างแจ่มแจ้งว่ากายมาจากธาตุสีดินนละไฟลม จิตเป็นนามสีปรจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะขอดขอนความผิดผิดในระดับของสมถะจนสามารถเห็นธรรมชาติของจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นธรรมชาติของจิตเกิดดับเกิดดับก็จะเห็นความมีเที่ยงความมีเที่ยงที่เราเห็นโดยการเห็นการเกิดและการดับอยู่ตลอดเวลาความมีเที่ยงด้วยอํานาจแห่งการเห็นอย่างนี้จะแก่ดข้าไปกระเทือนต่อไปลักในระบบทางธรรมชาติ เมื่อจิตมันไปกระเทือนต่อไตรลักษณ์ในระบบพาธรราตไตรลักษณ์ก็จะเปิดเผยสัจธรรมออกมาให้จิตไดู้เมื่อเปิดเผยสั hmm. s, จธรรมออกมาให้จิตได้ทราบแล้วจิตจะไม่ลงิดยึดถือกายนี้อีกตลอดพอันธะการทำลายสัจจะนี้ที่่านออกจากความรู้สึกด้วยกระแสะของพันธิภาทรทาลายด้วยกระแสะของพันธิภานเบื้องต้นทำลายด้วยกระแสะของสัพถาระดับที่2ทําลายด้วยกระแสะของวิปัสสนาระดับที่สามทลายด้วยกระแสะของพันธิภารจึงมี การหลุดพ้นแบบชั่วคราวตาทังท่านบิมุตต์ปหาหน้าบิมุตตนิสสารณน้าบิมุตต์สบูเฉศบิมุตต์คือรูปพระนิพพานเป็นสบูเฉศเข้าใจไหเอาเอาสัที่สีก่อนเื่อต้นต้งแค่ไหนสดที่ดเราปัด่โดาก่อนแล้วมาโซดาปันอยสาตัว คนบอกว่าบุญน้อยทําไงพระอาจารย์มันจะไหวแล้วไปถึงพระสุนทบาลได้หรือเปล่า <Okay. S 1> อาตมาว่าบุญพวกเราไม่น้อยนะ <Okay. S 1> เท่าที่อาตมามองดูไม่มีใครบุญน้อยหรอกเพียงแต่ยี <Okay. S 1> ่บาทกรรมันเยอะ <laughs> <laughs> เอา้าบุญน้อยไม่ได้เกิดมาเป็นคนเล <Okay. S 1> บุญน้อยไม่ได้เกิดต่ำกว่ความเป็นมนุษย์มันอ่ะ <laughs> ไม่ได้มาเป็นมนุษย์หรอก บุญมากก็ไม่โนนโน่นแต่สวรรค์ของเราเนี่ก็บุ ญ, บญพอดีภอดีที่จะรู้ทำพอได้อยู่นะพวกเราเนี่ยพอได้นะทำมาเชื่อว่ายอย่างนั้นทานบา ร, รมีพวกเราก็ทํามาเยอะศีล<ส>บา ร, รมีก็เห็นรักษากันมาเยอะแต่ปัญญาบา ร, รมีไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องสร้างปัญญาบา ร, รมีให้มากบา ร, รมีอย่างอื่นลดอ่อนลงสร้างปัญญาบา ร, รมีให้มากนะเพราะปัญญาบา ร, รมีจะสามารถแทงตลอดอริยสัจ จะทำสีประการนี้เข้าถึงพระนิพพานได้คือการคบคิดคิารณาตามหลักอริสจธรรมอยู่เสมอก็จะได้เป็นผู้ไม่ประมาณในความเป็นอยู่ของชีวิตชีวิตของเราถ้าเราไม่สร้างทำมากขึ้นมาภายในตัวเรามันก็ไม่มีสาระเกี่สานอะไรเลยเพราะชีวิตของเรามันมีเป็นเพียงแค่ตัวปลุกแล้วเราก็ดิ้นรนแล้วก็บรรเทาทุกในตัวของเราเนี่ยไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง วันหนึ่งคือหนึ่งหมดไปหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปเราดิ้นรนอยู่เพียงแค่บรรเทาทุกข์ให้กับชีวิตเท่า น, นั้นเองจนถึงมันตายสาระไดตรงไหนเกิดใหมก็เป็นอย่างนี้อีกไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่การสร้างธรรมะให้ไวในจิตในใจของเราเนี่ยมันเป็นความพิเศษมันเป็นสาระตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่บรรเทาทุกข์ให้กับตัวเราที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้แต่เรากําลังสร้าง เส้นทางออกไปจากวงจรแห่งความทุกข์ซึ่งเป็นเส้นทางอันประเสริฐอันที่ถึงความสิ้นความเบียดล้นทั้งหมดทั้งมวลที่จะมีกับเราในภายภาคหน้าแน่นอนว่าในชีวิตของเราในภายภาคหน้าจะต้องประสบกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ข้อความทุกข์อยู่ในชีวิตเราชีวิตเราไม่ไดีดีมันไม่ได้ดีเป็น ก, กันหมดมันมีความทุกข์เท่ากักน เมื่อตัวบุกอยู่กับเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องบุกใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พร้อมที่จะเกิดเป็นบุกได้เสมอประสบกับสิ่งที่พอใจเป็นบุกได้ไหมประสบกับสิ่งที่พอใจก็เป็นบุก <c oughs> ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นบุกประสบกับสิ่งที่หน้าปัถนาก็เป็นบุกประสบกับสิ่งที่ไม่หน้าปัถนาก็เป็นบุกบางคนบอกว่าประสบกับสิ่งที่หน้าพอใจมันจะเป็นคิดขเป็นยังไงเป็นได้ไหม เป็นได้ยังไงระสุไม่นานแล้วสุกก็ไม่นานทุบก็ไม่นานเพื่อเดไปเรื่อยๆออันนี้ก่อนรู้เลยเข้าใจแล้วิ่ามันแน่ใจอยู่ไม่นานคิดบ้าาต้องเห็นใช้ลักษณะการคิดว่ายังเป็นการคาดคดีแต่ถ้าเห็นชัดรู้ชัดประจักษ์ชัดแน่นอนในในกิจอันนี้อันนี้เป็นปัญญา ตอนี้ปฏิบัติอยู่ในระยตรนกแล้วก็ตอนี้พอพนุ่งเจอมาส่งมส่งตีไปอ่ะมาส่งเรนรู้รู้ว่าเหการมันเกิดเหตุการที่มันเกิดมันดันและด้ันขึ้นมาแล้วที่นี้เลาก็มีสติค่ะปฏิบัติีเราก็ปฏิบัติรยสั้นทีนึพอรู้ว่าอู้อันนี้อันนี้คือเหตการณเกิดเหตนการณ์มันเป็นมีเตันกมันเกุ่งเนาะแล้วก็เอ๊ะเเก็นเมื่อกีทำไมอ่ะ พอมั ة, นเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็พลอยใช่ะหมพลอยก็โดนกรทบอยโดนกัะทบสิแล้วก็ที่แล้วอ๋ออันนี้มันอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ร่างกายของเราเนาะไม่ใช่ตัวชนของเราแล้วจะมีเรื่องจริงทำไมที่มันเกิดก็คือมันเป็นเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราศึกษาเข้าศึกษาเข้าเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้ยาสกินจริง แล้วก็มาคิดตัวเองก็ต้องมาปฏิบัติตัวเองก็เลยปล่อยนะปล่อยวางมากคนที่อาศัยความคุ้มกันเครื่องปฏิบัติมาตรานเขาตีใจตัวเองมันโดนทิิปัญญามันมันอยู่ในตัวมันเลยว่ะในตมนเลยที่เกิเกิดเนี่ยเกิดจากตัวเราแท้เลยที่เราโดนทุกเนี่ยก็เจอจากตัวเราที่เราเราก็เจอถ้าเราเป็นขึ้นิตมันก็เหมือนกับว่าออเราเป็จิตกับตัวเขาเพราะว่า เราก็ที่ He ่เรารู้แล้วทำไมเราเ่มันหนักมากเลยค่ะตอนนี้ให่นักมาก่นี่เราก็เลยปล่อยวางอ่ะรูแลเราก็ปล่อยดู้รก็ปล่อยที่ค่ะแต่เราศึกษารืได้แศัพท์ไอเจ้ไอ้อะอัพท์อเจ้าสั้นสี่เราพูด่องวันธามอยู่ค่ะอ่าก็เลยปเ่อยๆเรี่อยๆก็แตกโดนกตลอดเลยนะชาวบานก็รู้ก็โดนกระทบก็โดนว่าว่าเราเนี่ย อะไรก็ไม่ร uh, mm. yeah. yeah. ู้ซ right. ื right> ้ออะไรก็ไม่รู้เออเขาจ่มีงานมีการอะไรที่วก็ไม่สนใจอะไรเนี่ยเพราทําทำไม่ถูกมาก็เราลรารู้แล้วว่าเป็ชิไหนวันนี้เขาได้คนเยค่ะสวดขญายายทเขากองทเลยวันนี้วันวันก็เววันอะไรวันนี้นะคะอ็เป็นขอะไรนั่นดีอะไรนะอะไรสมูย่างต่างตัวหอมหมดเลยนิ่มลื่นหมดเลยอ่ะเจ๋อเจ๋อ ตาตาปูมไม่ได้ด ja. ูแลเอาที na, ่จริงเลยค่ะก็จะขับเคลนีจอ้มันอยู่ตรงนี้เองพระจันท์เย้พระปูมือไม่ใช่ค่ ะ, ะ like คือถึงเวลาพวกแม่ว่าให้แม่ฉางไงบงทีก็ําไม้เตาอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ไม่รู้เห็นฟังทุกคนฟังเห็นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดเหนืยห่วยเนี่ยชวนเขาฟังาไม่ฟังวรทุ้งไปก็ไม่ไปวนเข้งมาอุ้ยเหนืบยเ ก็เบอกว่ากเลยปล่อยวงว่าอ๋อถ้าเราไปยึดตแม่ยึดติดพ่อเนาะึดติดลูกยึติดของนี้เราก็ไม่หยุดพนที่เห็น่นี้นะเราศึกาก็อ๋อรู้แล้วก็ปล่อยตั่เะคนพมปล่อยวางแขกเาเราศึกษาของเราดีัวเพราะเาไม่ไปเดเราแค่้นก็เลยรู้รู้ว่าอ๋อต้อง็นฝัดขอเองรู้ค่ะเป็นฝรู้ การเครื่อเรียนรู้เราจะเกิดปัญญาจากความพุ้พระเจ้าให้บอกว่าเราจะเกิดปัญญาจากความฟุ้นะพระเจ้าบอกว่าเจะเกิดปัญญาจากความพุ้โฟงตุ้เป็นสัจจะที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นอันดับแรกพุ้จึงมีมาเป็นอันดับที่1ในอริยสัจธรรมความพุ้ไม่ใช่กิเลสจำไว้เมื่อเมื่อความพุ้ไม่ใช่กิเลสเราจะต้องอาศัยความพุ้เป็นเครื่องเรียนรู้ เพาะความทุกข์เป็นความจริงในชีวิตการที่เราเรียนรู้ความทุกข์แต่ละครั้งแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคำว่าเรียนรู้ต้องเข้าใจนะเรียนรู้ความจริงที่มันเป็นอยู่กับเราทุกข์เพอะไรก็ตามเรียนรู้มันว่าเหตุที่แท้จริงมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นแม้คนอื่นจะด่าเจะว่านั่นไม่ใช่เหตุเหตุอยู่ที่จิตของเราไปยึดถือไว้เมื่อจิตของเราไม่ยึดถือไว้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ใครจะรมดาจะว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยภายนอกเพราะนั้นเองเมื่อเราเรียนรู้ความทุกข์ได้ปัญญาก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าใจความทุกข์เข้าใจเหตุแห่งทุกข์เข้าใจความดับไปของทุกข์และเข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติต่อทุกข์ต่อเหตุและเขความดับไปของเหตุนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกๆขนาดแม้กระทั่งหายใจอยู่นี้ก็คือก็คือการบรรเทาทุกข์หรือว่า แก่ทุกไปแต่ละขนาดแต่ละครั้งแต่ละคราวเท่านั้นเองการหายใจเพื่อเป็นเครื่องบรรทาทุกก็เท่ากับว่าตัวทุกมันมีในตัวเราเราจะต้องหายใจบรรเทามันไปตัวคั้งทุกคราวเพราะฉะนั้นการหายใจของเราไม่ได้หายใจเพื่อให้ชีวิตของเรามีอยู่คงอยู่โดยตั้งอยู่แบบไม่เสื่อมสลายแต่การหายใจบุกบอกว่าชีวิตของเราสั้นไปทุกๆขนาดเพราะ การหายใจในแต่ละครั้งบ่งบอกถึงความเสื่อมความสิ้นของชีวิตหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปชีวิตเราจึงดำเนินไปสู่ความแตกสลายอยู่ตลอดเวลาให้เรามองเห็นจะจะทำข้อนี้ดูเสมอมันอย่างนี้นะอาจารย์มันมันก็ที่เราเกิดปัญญาเลยนะครับคิดถึงะพอเราโดนแล้วพบแล้วมันก็มันบอกให้อัวเองเมันเหมือนก็บัญญาเราคิด่าอ๋าไเกิด ก็มีปัญญาที่ว่าจะได้รู้สิ่งเหล่านั้นสิ่งั้่งมันกะทบเราอ่ะโหเราถึบอกว่าก็ถ้าไม่เกิดกับเราแล้วก็ไม่มีปัญญาที่ว่าจะรู้ว่ามันม่แบบชีวิตของเราอ่ะถ้าเราถสร้างเราก็สร้างมันเอมันก็จะเกิดสิมาเองใช่ไหมก็เลยเราก็เราก็ปล่อยอ่ะปล่อยปล่อยเขาเนาะปล่อยถึงที่มันเกิดแบบปล่อยมันเดเอราไม่ถึงนั้นนะคะมันก็ถึบเรานะคุณผแต่คนที่ ที่บ้านมีไ่ใครสนใจเลยมันก็อดกเทียมรีบเลยค่ะ่มีเลย้งนแหละต้อะมาบอว่าเดียวกระเทียมรีบเหมือนกันแม่ก็ไมสนใจพีน้องมมีใครสนใจมมีใครเลยไ่ทัพวครับไม่มีัพัวคนเดยิงมาแบบเดียวๆเลยตะมาเนียงลระา ทีพาพวกมาในตัวตนนั้นพามาแบ้นามาจยวีพามาจะไปตอนที่เห็นอยาถ้าเราจะเดินเส้นทางแห่งความถูกต้องเราต้องก้าวออกจากสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่ใช่เป็นโบกอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมเราต้องก้าวออกมาแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นหลักสัาธที่แท้จริงเราจึงจะสามารถลดปัจวัตได้ เราอมาทางนี like huh> ้แก็เลยนะแล้วก็แม่บอกอ้าวผู้มาสตอายยนไม่เอาว่านี่จะไปทกบสาาา้ามานี้กา้ปล่อยมนี่แหละมันน่าเจ็บใจมากมาอ้างคาว่าทามาตั้งแต่สมัยพ่อแมุ่ญาตายายนี่น่าเจ็บใจมากเลยน่าเจ็บใจตรไรู้ไหม เขาอากไเอแมันเกิที่หลัเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นศาสนานะเอามาได้ยังไงใช่ไหมล่ะเราจะเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นตัวศาสนาไม่ได้เพราะเราต้องถือพุทศาสนาสังเกตคาที่เราเองกล่าวดีนะว่าตัวเองเป็นผู้นับถุอพุดแต่พอจะปฏิบัต บอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาปฏิบัติไปอย่างนี้ความเป็นพุทธหายไปไหนแลความเป็นพุทธาสนาหาห น, หนามีแต่ความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยูน่นะในตอนตอนสอนทําริ่มแรกอะตมาจึงใายภาษาที่รุนแรงกระเทือนใจคนอยู่เหมือนกันอะตมาบอกว่าอะตมาไม่ได้อยู่ในระบอบของ บรรพบุรุษแต่บรลณโบราณอาตมามาอยู่ในสางกัจมงซึ่งเป็นโพตมาโคตเป็นโคตของพระสมณโคดมผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์นะอาจารย์สอนอย่างนี้อาตมาไม่เอาตามโคตพ่อโคตแม่หรอกอาตมาไม่อยู่ในโคตนั่นแล้วอาตมาอยู่ในโคตของโพตมาโคตพระโคดมเรา ต้องซ้อนกันอย่างนี้นะวัดนรืออยากเอากันแบบคับล้างแบบบัดพบุรุษศาสนานี้ไม่ทําตามโทดให้ทําตามโทษของพระสัมมาสมพุเราพระสมณาสพธเจโดมพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโพษของพ่อโทษของแม่ทํามาทามันไม่ถูกกับหลักของโธตพว่าโทษคือพระพุทธเจ้าเราเราก็ไม่เอาไง ไม่ละก็อเอาอันที่ปูกอาจารย์วี้ ก, ไ, ไ, กไม่เค่ะส่ไม่้องะันลูกโัใส่่เป็นไรโกรธไปก่อนอถ้าโกรแล้วไม่ถ้าโกแล้วมันดีอยู่ก็โกรธไปเรื่อยเรื่อยถ้าโกรธแล้วจะรู้สึกว่าความโกรธไม่ดีเลยเดี๋ยวเขาก็ว่างเองอะไม่มีใครแบบความโกรธไปตลอดชีวิตหรอกอเราจะเที่ เออเราไปยืมสิไม่อะเราเขาไ่ยอมอะาเราม่ยอมอะเาไม่ยอมเลยปล่อยเลยานอะปอเดีกว่ดีแล้ว อาจารย์คะพอดีว่าเพื่อนที่ก้าถามมาค่ะทำไมเป็นการตอนนี้ก็คือเพื่อนมีทูกข์ะค่ะคือต้องเลี้ยงลูกสองคนแต่ว่าอยาจะอยากจะจะปฏิบัติแล้วก็เพื่อจะเอาธรรมาเนี่ยมามามาทำให้หรอว่าเรื่องที่ทุกข์เบาลงแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกไปได้คับคือเพื่อนต้องเลี้ยงลูก2องคนผเพียงลาพังแล้วค่ะ คนชุกแต่อยากจะใหปแต่ไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์แนะนำเราค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติยังไงรูกสคนก็มาเลยแล้วค่ะวนนี้ก็มีต้องใส่บาตบ้างแล้วก็ถ้าใบพักก็จะมีผิหน้าแล้วก็ตรวจางหูและที่หน้าคอนอย่าปฏิบัติยังงมานานหรือยังนานก็เป็นปีสอแล้วค่ะแล้วสรุปผลที่เกิดจากการปฏิบัติดบ้างไม่เกิดบ้งเดือนนี้นะ ก็ฝันก็โสดก็ก็ใจสบายขึย้นลูกก็ค่อยจะมีบัาแล้วก็พอจะนมางจะจเือ้ก็มันยังได้ผลอยู่ก็ท ำ, ทำอะไร <laughs> ไม่คำตอบก็ทำอยู่จะทำอยู่ที่ถามนี่คือยังไงก็ทำอยู่ ไปถูกทางนะคะเขาผูกทางใช่ไหมอยากจะไปทูกทางนะคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนค่ะถ้าจะเอาแบบผูกทางนะมาต้องรู้ทางก่อนว่าอะไรคือทางพระอาจารย์แนะนำมนเเรื่องที่จะเดินหรือไม่เดินน่ะเราไปตัดสินกันเองาเองคือไปตัดสินใจเองด้วยด้วยความเป็นส่วนตัวแต่จะพูดถึงทางและการดาเนินที่ถูกต้องพที่เจ้าคงตัดทางไ้ในคำสอนองในคำางมัดมัดค เรียแปลว่าผลทางคําว to <Yes. S 2> ่าผลทางเนี่ยเขาบอกมรคค่าเนี่ยเป็นผลทางที่เป็นเส้นทางดําเนินทางภายในเส้นทางดําเนินในภายในจึงไม่ใช่เส้นทางภายนอกไม่ใช่เส้นทางที่จะไปสายไปเครื่องของไปทยอยอะไรงี้ไม่ใช่เส้นทางนั้นเส้นทางนั้นเขาใช้คําว่าปันถักปันทางหรือปันถักกคือผลทางขลทางที่คนสัญจรไปมาแต่สิ่งที่เป็นเครื่องดําเนินภายในใจลิขิตที่เราจะสัญจรไป ให้มันถูกต้องตามหลักผลทางที่พระองค์ทรงกล่าวสอนไว้ต้องเดินตามมากเดินตามมากจึงจะปลูกถ้าเดินหิดจากมากก็ไม่ถูกหรือว่าทางเดินนั้นหิดฉะนั้นแล้วเส้นทางเดนินมันมีเส้นทางที่จะแตกแยกย่อยไปสู่สุกติภูมิคือมนุษย์เทวดาพลม น, นี่คือเส้นทางที่จะออกไปจากเส้นมัดแบบนี้ยังไงก็ตามจุดมุ่งหมายของเส้นทางนี้นไปถึงพระนิพพาน อันนคือจุดมุ่งหมายของเส้นทางแห่งมัชดังนั้นคำมัชนี้พระองค์ทรงตรัสไว้องคปดองแปดนั้นเริ่มต้นด้วยความเห็นถูกต้องเรียกว่าสมาธิจิความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าสมมาธิกาปัะคำพูดที่ถูกต้องเรียกว่าสมาวิจาการกระทําที่ถูกต้องเรียกว่าสมากรรมต่างการใช้ชีวิตให้ถูกต้องเรียกว่าสมาชีวะความพยายามในการกระทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเรียกว่าสมาวายามะ ความระลึกอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติการตั้งใจให้ตรงกับความจริงตรงกับหลักสัจจัเรียกว่าสัมมาสมาธิในองค์ประกอบ8ประการนี้พระเจ้าบอกว่าสัมมาวิชิตมักเป็นหนทางแรกที่ควรจะสร้างขึ้นหรือดําเนินให้เกิดขึ้นและเป็นไปได้ให้เต็มบริบูรณ์ก่อนคือสร้างความเห็นถูกให้ตรงก่อนเ็นระดับแรก เมื่อเราสามารถสร้างความถิ่นุ่มได้ตรงแล้วดีแล้วเพียงพอแล้วเส้นทางอันที่สองจะต่อออกมาเองคือสัมมาสังกัปปะแล้วจะสามารถเดินต่อเส้นทางนั้นไปได้โดยชั้นของความปิดสัมมาสังกัปปะชั้นของความปิดแล้วเมื่อสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์สัมมาวาจากามัสสะอาชีวะไยามัสติสมาธิจะต่อต่อต่อต่อต่อกันมาเป็นตัวเชื่องเองอัตโนมัติฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือสมาทิฏฐิ ที่เราจะต้องสร้างขึ้นเป็นหนทางในการดำเดินส ม, มาธิมีหลายระดับระดับทั้งที่เป็นโลกิยะเรียกว่าอาสวะส ม, มาธิริดับอนาสวะส ม, มาธิอาสวะส ม, มาธิเป็นชั้นของการยแยกแยะบุญบาทดีชั่วให้ออกว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาทอย่างแท้จริง บุญเป็นบุญบาปเป็นบาปต้องแยกให้ออกไม่ใช่ไปเอาบุญคนบาปเอาบาปเอาคนบุญเอาดีมาคนไม่ดีเอาเอาไม่ดีไปนคนดีเช่นบ้านพ่อปุโราพ่อแม่ปู้ญาตายายหรือสามพ่อครูอันนี้ไปเอาสิ่งที่ไม่ไม่ถูกมาไว้ในความถูกในศาสนาศาสน า, า, า, าไม่ได้สอนอย่างนั้นไหนยคือแสดงว่าแยกไม่ออกว่าอะไรคือดีจริงอะไรคือดีไม่จริงความดีจริงในทางศาสนากล่าวสอนไว้ว่าอุคลกิสัยกรรมทิ่ใดย่อมได้รับผล ชนิดแห่งการกระทำนั้นนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นไม่ได้เกิดจากการให้ผลของอำนาจศักด mm. ิ์ดวงวิญญาณเทพผู้บันดาลหรือพระอิสวรผู้เป็นเจ้าแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง mm. ฉะนั้นแล้วเมื่อเราแยกข้อเท็อจรงนี้ออกอย่างชัดเจนแล้ว mm. เราจะต้องเดินในเส้นทางของเป็นผู้สักกาเส้นสวนเส้นใบหรือเปล่า mm. ไม่ต้อง แล้วเส้นทางศาสนาเนี่ยไม่ได้เน้นการสวจบนการบวงสวงสักการะในแนวของการสวดสารเสริญแต่พุทธศาสนาสอนเรื่องของการประพฤติตนปฏิบัติคนหรือว่าสอนให้เป็นผู้ประพฤติธรรมนั่นเองเช่นชาวพุทธเรามีความเชื่อว่าการไปทำพิธีต่ออายุ ไม่ว่าจะเป็นการสวดอะไรบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็สืบชะตาโดยการส่วนพระปรลิตอะไรอีกแกเ้เคบโดยการนอนโลงศพหรืออาจจะตับเตาด้วยน้ำมนต์หรือไปอาบน้ำมนต์กันคุณเจ้าบอกว่าวิธีการสืบชะตาหรือว่าต่ออายุในพุทธศาสนาคือการ กาบไหว้เคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายาาากาบกาบเคารพน้องน้อมท่านอยู่เป็นประจำก็จะสามารถต่ออายุได้โภคยิ้มบอกไว้ว่าอภิวาญาณสีฤทธิชนิจัญญุท ธ, ธาประจัยยโยจาตาโรธรรมมาวัฏันติอายุวันโนสุตสังพลังบุคคลผู้มีปกติกาบไหว้อ่อนน้อมของตอนอยู่เป็นนิดย่อมเจริญด้วยอายุคืออายุจะยืนนานนิดหือวิธีการต่ออายุคือกราบไหว้บุคคลผู้ ถึงความเจริญในชีวิตใช่ไหมการไหว้พ่พไอไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายไหว้พี่ไหว้น้องอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปไหว้เทวดาไหว้สารคูณไหว้ปู่ยา่าสารปู่ย่าอะไรไม่ใช่แล้วนะฮะตัดออกไปหรือว่าคิดว่าชีวิตจะดีเพราะการสวดสารเสริญต้องให่ใครอีกเาพนิจเจ้าทรงกล่าวไว้ตามหลักคำสอนได้ว่าบทสวดมนต์ไม่ได้ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นเอาเอาแล้วจิตเอาสบายทําไง คิดสบายแต่ว่าชีวิตไม่ดีดีขึ้นนะคิดมันมันไม่จะเป็นว่าจะต้องสวดมนต์แล้วสบายมันต้ยังอื่นสบายก็มีเพราะเราจะเอาความสบายเป็นเครื่องวัดในสิ่งที่เราทําว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจจไม่ได้สัจจคือสิ่งที่ทาให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ความที่เราจัดประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสัจจเข้ากันกับเหตุผลเข้ากันกับลักธรรมชาติไม่ขัดแย้งกับหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรา ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหรือการระลึกหรือความตั้งใจของเราจะสอดคล้องกับหลักของความจริงอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือการรู้โดยสมาธิขิในสัจธรรมคือการรู้ทุกข์รู้เห็นให้เกิดทุกข์รู้ความดับของทุกข์รู้วิธีปฏิบัติที่จะเข้าไปดับทุกข์ก็คือรู้อริยสัจสีนั่นเองจึงเป็นสมาธิขิสมาธิขิจึงกำหนดว่าเราต้องเห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับของทุกข์เห็นทางปฏิบัติที่จะเข้าไปดับทุกข์การเห็นได้อย่างนี้ จะนําไปสู่ความคิดความคิดของเราจะวนเวียนอยู่กับการคิดกำหนดหมายที่จะรู้ทุกคิดกำหนดหมายที่จะรู้เหตุที่เกิดทุกคิดกำหนดหมายที่จะรู้ความดับไปของทุกคิดกำหนดหมายที่จะปฏิบัติ ต, ต่อการดับของทุกที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติในสมาธินี้บริบูรณ์แล้วความเห็นคํำพูดการกระทํ า, าความพยายามการใช้ชีวิตการระลึกความตั้งใจของเรามันจะเป็นของถูก ตามมาโดยสันมติเพราะเป็นใจไม่ได้ที่ว่าความเห็นถูกแล้วองค์มรรคอิเกตข้อมันจะถิดมันไม่ผิดแต่ถ้าความเห็นผิดองค์มรรคอิเกตข้อจะทําให้ถูกแค่ไหนก็ตามมันก็มีถูกเพราะฉะนั้นสมาธิจิตจึงเป็นใหญ่ในการเดินในเส้นทางนี้คือความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นปุ๊กเห็นเห็นที่เกิดทุ๊กเห็นความดับของทุ๊กเห็นการปฏิบัติที่จะเข้าไปดับความปุ๊กครูทีเจ้าบอกว่าองค์มรรคนี้เป็นคาเวตับะทำเป็นธรรมที่จะต้อง คำว่าจะต้องเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าอยากทําก็ทําไม่อยากทําไม่ทำไม่ใช่อย่างนี้นะคําว่าจะต้องนั้นก็เป็นกดตายตัวคําว่าพาเวตับบังเนี่ยเพราะคําว่าคําว่าพาเวตับบังแปลว่าพึงกระทำพึงนี่คือต้องกระทานะมันถึงอยากเป็นไปเพื่อความกําจัดทุกข์และเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้กับชีวิตเราคือต้องมาไปเรียนรู้กเรียนรู้เหตุ เรียนรู้ความดับไฟนี่คือทาง ด, ดําเนินเพานักิธีกรรมทั้งหมดไม่ใช่โงงบ้าแต่ในทางาพทาุทธาสนาอาจารย์คะเพื่อนอยากจะจะรู้อยากจะรูะะ้วิธีต่อไปค่ะวิธีเทียจเรียนรู้เหตุเกิดเหุ่ทุกข์แล้วก็ดับต้องทำยังไงบ้างคะเรียนรู้ต่อไปก็เรียนรู้ในทุกนี้ว่าอะไรคือทุก ต้องเรียนรู้ที่เหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนใช่ไหมคะใช่เมื่อส้ำมาทิ้งทีกาหนดไมายว่าเราต้องรู้ทุกเราต้องไปรู้ว่าอะไรคือตัวทุกต้องต้องข้าศึกใช่ไหมคะที่อาจารย์เคยเอางนี้ดีกว่าเราไม่ต้องไปไปเอาคําตอบมาจากสิ่งที่เรียนรู้มาเราเอาความเป็นจริงคุยกันความทุ๊บเกิดขึ้นที่ไหนจิตใจใช่กระเดียวเหรอ ทางกายสามารถก่อให้เกิดทุกอย่างไหมทุกข์ขัดเจ็บปวดคินมาก่อนใช่ทางกายก็ได้ค่ะทางกายทางกามันต้องทางกายทางกายใช่ค่ะเข้าใจไหมมันต้องทั้งสองทางกายกับใจจึงถูกกล่าวว่าเป็นตัวทุกที่เราจะต้องรู้ใช่การที่เราไม่เห็นทุกทางกายเพราะอะไรเพราะมันถูกเขาเรียกว่า อิรยาบดบังอยู่เช่นหากเรานั่งอยู่นานๆโดยที่ไม่เปลี่ยนอิริยาบดเราสามารถนั่งได้ตลอดทั้งวันไห ม, ไมเวลาเรานั่งไปแล้วเราเริ่มเมื่อยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนท่าแล้วใช่ไหมการที่เราเปลี่ยนท่าจึงทําให้เรามองไม่เห็นความรลุกทางกายร่างกายมีพวกอยู่พั้งความลุกปรากฏขึ้นที่กายความลุกปรากฏขึ้นที่จิตสองทางทางกายกับทางจิต ความทุกข์ปรากฏขึ้นนอกเหนือจากกายจากจิตมีไหมมีไหมมีนีะถูกต้องมันมีฉะนั้นคําว่าเห็นทุกก็คือเห็นความทุกข์ทางกายทางจิตทางสองทางเนี้เที่ยงธรรมาบอกว่าแม้ขณะที่เราหายใจอยู่เนี่ยก็คือจิรญาเห็งความทุกข์เพราะอะไรเพราะทําให้หายใจเป็นไง การหายใจจึงเป็นเพแค่บันเทาทุกข์ั่วคราวทำไมถึงต้องมรรเทาทุกข์ความทุกขมันอยู่ในนี้นี่คือตัวทุกข์เนี่ยเมื่อเราเห็นชัดแล้วว่าตัวทุกข์อยู่ในนี้ความทุกข์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะได้มีสติเข้าใจว่าเพราะมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอาจารยงเราจึงไม่ต้องไปตื่นตระนกกับความทุกข์ไม่ต้องไปปฏิเสธความทุกข์ไม่ต้องกลัวความทุกข์ คุยว่าสอนให้เรากล้าเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะชีวิตเราคือทุกข์อยู่แล้วโดยตัวข้ามันเมื่อชีวิตเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเป็ตัวข้ามันจะไปกลัวมันทําไมเพราะมันเป็นธรรมชาติแห่งความจริงที่มันจะต้องเกิดเมื่อความจริงมันเกิดก็คือความจริงมันปรากฏการที่เรายอมรับความจริงไม่ได้ต่างหากจะทําให้เราทุกข์เพิมขึ้ น, นพยายเมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นเหตุเพราะความมีอยู่ของกายของจิตทุกข์ก็ต้องมีอยู่ เห็นความดับไปของเหตุคือบมดเหตุแห่งความทุกข์ที่มันปรากฏแล้วความทุกข์กระดับได้ก็เท่ากับว่าความทุกข์ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีเวลาหมดมันมีเวลาดับมันมีเวลาหายมันมีเวลาที่าจางหายไปอยู่มันไม่ใช่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไปสร้างความตื่นสนุกกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมองเห็นความทุกข์เป็นธรรมดาในชีวิตให้ได้หากไมองเห็นความทุกข์เป็นธรรมดาในชีวิตได้ ความทุกข์จะเบาลงไปขึ้นหนึ่ ง, งและเมื่อฝึกเรียนรู้อย่างนี้อยู่เป็นประจำจนเกิดปัญญารู้กระแสปลินพันความทุกข์จะดับแล้วก็จะขิ่ได้ตามลาดับและทางกายและทางจิตเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์รู้เหตุว่าเมื่อมีกายมีจิตอยู่ทุกข์ก็ต้องมีอยู่รู้ความดับว่าเมื่อหมดเหตุทุกข์ก็จะดับไปนะและปฏิบัติต่อทุกข์โดยการยอมรับปฏิบัติต่อเหตุโดยการไม่สร้างความความยึดถือ ในความวทุกข์เพิ่มและเมื่อเราไม่สร้างความยึดถือในตัวทุกนี้ความดับของทุกก็จกับปลากมดคือไม่มีความทุกจากการยึดถือเนี่ยแทรกเข้ามาเพิ่ความทุกที่มีอยู่ก็จะดับตัวมันโดยธรรมชาติของมันเองแล้วก็เรียนรู้อย่างเงี้ยทุกรู้สมุทในรัความดับทุกควนทําให้แจ้งนี่คือการเจริญมากในสมาธิถี่มากเลย สมาธิถี่มากบริบูรณ์เมื่อไหร่สมาสังกัปปะกจะบริบูรณ์เองไม่ต้องไปกังวลคือจะเป็นของผูกดึงขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในจิตตามมาเองอัตโนมัติตราไปที่สมาธิถี่ไม่บริบูรณ์สมาสังกัปปะจะไม่ดผูกดึงขึ้นมาเป็นตัวสัมมาได้เลยฉะนั้นเครื่องวัดสมาสังกัปปะว่าจะดีจะถูกหรือผิดอยู่ที่สมาธิตี่จงทาสมาธิถีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กําลังเต็มรอบก่อนในจิตสมาสังกัปปะจะผูกต้องตามมาโดยอัตโนมัติ แล้วเราก็เรียนรู้อีกทีนึงว่าทํมมาไมเราจะต้องไม่มาทุกข์กับตัวกายกับตัวจิตเพราะกายเป็นจริงแค่ธาตจิตเป็นจริงแค่นังเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมปัญญาให้เกิดความรู้อย่างแยบยในชั้นของสัจธรรมธรรมาจึงสอนลู้ศิษย์ให้เริ่มจากการท่องธาตุกรรมหานสี่กรเป็นระดับแรกหลจากนั้นก็พิจารณาร่างกายเป็นธาสี่โดยอาศัยกระบวนการ6ขั้นตอน เป็นแบบในการพิจะะารณาแบบวิธีมีอยู่จากนั้นก็ต้องถัน5้าแล้วพี่นายแยกถัน5้าประกอบพร้อมกับเห็นอารมณ์ในจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปพุกเพื่อเรื่องใดดูความคุ้ที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปมองมต้นสายปเหตุเข้าไปเหตุจริงๆันอยู่กับเราให้ดูพุกเนี่ยแล้พวพระเจ้าบอกว่าพุกอยู่ที่ไหนเหตุจะอยู่ที่นั่นมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับความพกุก ต้องบวที่่าท่าก็ถามเวขอเข้าใจไหมถ้ามีความทุกข์นั้นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปแก้มันแต่เรียนรู้มันการที่เขาไปแก้ไขความทุกข์ด้วยวิธีการที่เราทำอยู่จึงเป็นวิธีการปฏิบัติผิดและสร้างความยุ่งยากแกชีวิตเธยมันไม่ได้พัฒนาทางด้านติปัญญาณ แต่การเรียนรู้จากความพุกโดยเห็นความพุกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้บางครั้งจิตมันจะแคบจะระเบิดหรือแตกสลายอยู่ก็ตามก็ให้มองว่ามันเป็นธรรมดาตามไขมัน็รมไปักัดหมลรูๆเยๆ้เนเรอี่นต่างงนเป็นเองท่อ่ยมนเยมาถกเดี่ากว่าเป็นทะก่อน้าใครับอยากจะเรียนหาผ้ายข้อนคือ เมื่อประมาณเจดปีที่แล้วหนูโดนเพื่อนโกงกันไปล้านสิงก็แทบจะฆ่ตัวตายเลยค่ะก็คือบอกเพื่อนว่าจะตายที่ทีไหนจะใช้ที่แทนก็เจ็บก็เลยคิดได้วิธีนีก็คือจเจ้าสายไฟอไ่อ ะ, เ, อาาอะเข้าไปในน้ํามันก็ช็อตเต็งใหตายเลยก็กำลังจะทําค่ะแม้แต่ก็าโชคดีไม่รู้มันเกิดมันเกิดขึ้นบนบนในหัวเลยเพราะาว่าเฮ้ยเดินเป็นเทพแค่เศษกระดาษดังนั้น เราไม่ควที่มันมาซื้อชีวิตของเราอะไรเนี้ยเล่นแล้วตรงนี้มันเกิดเกิดสติหรืเกิดปัญญาไหปัญญาปัญญาใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าตัวตายจริงค่ะแม่จก็คือก็ปัญญาเข้ามาช่วยในช่วงเวลามีเดยพอเลี้ยวพอต่อของการที่จะผ่าชีวิตหรือว่าเดินเส้นทางชีวิตในเบื้องต่อใหม่ตัดรอนชีวิตตัวเองปัญญาจะเข้ามาอุ้มทูหรือว่าคคองหรือว่ากระตุ้นจิตให้ได้สติกลับคืนมาเนี่ยคือปัญญาเนี่ย จำได้เลยว่าปัญญาเวลาเราสร้างขึ้นมันไม่หายไปไหนหรอกการอบรมทางปัญญาเนี่ยมันจะมาปรากฏหรือว่าให้ผลในขณะเมื่อช่วงนั้นอ่ะช่วงนี้เรามืดสนิทหมดทุกอย่างปัญญาจะเกิดขึ้นถ้าคนที่เคยอบมอมร ม, อบมตัวเองมาแต่ถ้าใครที่เคยอบรมตัวเองมาเมือม่อตัวมืดอย่างนั้นเนี่ใช่ไหมไม่มีปัญญามาเราไม่เคยสร้างเหตุแหการอบรมจิตตัวเองไว้ก็เมือม่อแบบด้านนี้ก็ไม่รู้มักแบบอย่างงี้นะ อันนี้มีปัญญาเดี๋ต่อไปเลยเดี๋ต่อไปหลังสีอะหลังส่อ้ยมีคนมีคนในนี้โมดเยอะกว่านะมีคนนี้หมดเยอะกว่านะแต่ผมดูระดับแค่แบบยังถามอะไรอีก ท่างนี้คุณสมบัติโยงสมบัต like ve ิขอปัญหามาตอบคำถามโยงสมบัติถามว่าถ้าโยงทําพุทธอาดไว้ที่บ้านจะสมควรหรือไม่ขอชี้แจงเรื่องราวของพุทธอาดได้ว่าเรื่องราวของพุทธอาดนั้นปรากฏในพระไตรปิฎกท่านอัตตกขาจาร์ซึ่งพูดถึงเรื่องราวแต่ทางพุธการที่ท <ümüz S 1> ี่สูงส่งหลาย ไปอยู่ในปา่าในถ้าในอะไรป่าชา้าท่านเหล่านั้นจะจัดพุทธอาฏไว้พื้นที่อาสนะไว้เป็นที่ประทับนั่งสําหรับองค์พระสามาสามัมพุทธเจ้าเพื่อเผื่อวา่าพวกองค์เสด็จไปเกรงว่าจัดไม่มีที่ประทับรองรับสำับพุทธองค์ที่สูบพุกโลกจึงยึดถือเป็นธรรมเนียมในการจัดพุทธอาฏไว้ เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ทรงได้มีที่ประทับนั่งและอีกกรณีหนึ่งจะใช้เพื่อเป็นเครื่องลาลึกถึงโอคัสมาสม พ, พุทธเจ้าว่าโอคัสมาสม พ, พุทธเจ้ายังทรงประทับอยู่กับตนเองอยู่เสมอและเป็นที่ระลึกถึงเพื่อเป็นที่เคารพยําเพลงในการประพฤติธรรมว่าเมื่อพองค์ยังทรงอยู่เราก็ไม่กดเสกผู้ไม่กตหมายอะไรทั้งนองเนี่ยเรื่องราวปรากฏไว้ในเฉพาะฝ่ายของพระพิสุ แต่ท่านของบุบาศกุบุบาทิกาไม่เคยมีปรากฏเรื่องเราการจับพุทธอาจไว้ในในในบ้านบ้านโยมอย่างเงี้ยไม่มีจึงไม่แนะนําให้จัดไว้ที่บ้านอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะไม่มีเรื่องปรากฏมาในท้องเรื่องแม้ในชั้นของอัศกถาอาจารย์ก็มีปรากฏที่อื่น แต่อาจจะยังตรวจสอบความซอนยังไม่หมดก็ได้อะตมาคำว่าพุทธาหัตถ์ถ้าถ้าฉนั้นที่บ้านเราถ้าเกิว่ า, าเราจะมีสิ่งที่แทนทีนี้ถ้าจะไปจัดสร้างพุทธาหัตถ์อะที่บ้าน mm hmm. จะผิดไหมอะตามาคิดว่าไม่ผิด mm hmm. เป็นวิธีใช้ส่วนตัวนะคิดว่าคงจะไม่ผิด mm hmm. และไม่น่าจะผิด นอกจากว่าผู้นำเอาไปกระทํานั้นไปตั้งความคิดไว้ผิดตั้งความเห็นไว้ผิดเห็นว่ายังไงอาจอาจจะไปตั้งความเห็นไว้ว่าจัดเป็นที่ประทับนั่งให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยยึดถือพุทธอาฏนั้น เป็นอะไรเป็ น, นเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็ น, ญญาาปนทานองว่าเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ความสังเระอย่างนี้คุ้มครองไม่มใช่อย่างนั้นถ้าจะไปทําทําในทานองว่าพุทธานอ่านนั้นเพื่อ การทำกิจของเราให้มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระประทับอยู่อยู่ที่นี่แต่ธรรมร า, าพุทธเจ้ามีประทับอยู่ในบ้านอย่แล้วอยู่ในวัดก็คนจะเอาไว้ในวัดก็คใครก็ตามมีบทธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใครก็ตามา ล, ล้ำลึกถึงบทธรรม เช่นบททานกรรมฐานสี่บททานห้า 5, แล้วท่องไว้ในใจอยู่เสมอพ<ฮ>ระอบกบบบว่บุคคลผู้นั้นก็มีพระผู้ได้เจ้าอยู่ที่นั่นโผวว<ม> ล, ล่าอย่างนี้ผู้ใดกระทำมาลึกถึงผู้ได้เจ้ามาลึกถึงวัฒธรรมมาลึกถึงพระสงค์ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของปัสาวะพุทธตื่นอยู่ด้วยดีในการเมื่อพระองค์ทรงตรัสอะไรอย่างนี้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ไแต่มีไว้จะผิดไหมก็ไม่ผิดเป็นเครื่องลำลึกถึงก็ได้อยู่ แต่ไม่มีเราก็รัลึกถึงกันได้อยู่ใช่ล่ะพมดแทอยู่นะผู้สึงวัยจะใกล้ตายนะรถ้าสมาจใกล้ตายหรือใกล้จะตายใกล้จะตาย้เราจะชี้นำเขาว่าคือจะทำใหสมใเพระจานร์ให้ให้มีภาอัคระช ใช่ตัวนหนังส<า>ือคําว่าพระพุทธให้เป็นตัวหนังสือเป็นตัวพยัญชนะคําว่าพุทธะหรือว่าพระพุทธเนี่ยนะพุดขึ้นมาในหัวหรือพุดขึ้นมาใน <พ Linked S 1> ในมโนจิตก็ได <ใน S 1> ้พพใช่น้วถึงคําว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์นี้ก่อนใกล้จะตายเมื่อจิตดวงใดลระลึกถึงคำคํานี้ได้จิตดวงนั้นไม่ตกต่ำไปสู่ความเป็นมนุษย์ หมายถึงว่าจิตจะปิดกั้นอบัยญมิในเวลานั้นเพราะคําว่ า, า พ, พระพูดเขารำเขาสงจะเป็นคตินิมิตแล้วคตินิมิตที่ยึดโยงอยู่กับพลัตนาใจจิตดวงนั้นจะไม่นําไปสู่ภพชั้นต่ำคือไม่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ไปสู่กาเิด เ, เสรีชรั้นเปรตที่ปีศาจคุณกรอยู่งลึจะเป็นมนุษย์และเทวดาแต่ที่ ม, ม, มีมาในตำนานั้นกล่าวไว้ถึงจาตุมเป็นเบื้องต้น คือได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเป็นเบื้องต้นแค่จิตลำเลึกถึงได้จ่าตุงไปแล้วบนสวรรค์อาจารย์แล้วก็ต้องกล่าวสองว่าผู้ป่วยทําเชิงที่ขึ้นมาผู้ป่วยนั้น<ม>ยังมีกจิตกจาจนึกถึงไปมากกว่านี้ได้<ม>และมีจิตเบิก บ, บานอยู่มากกว่าการที่จะเราลึกจำว่าพระพุทธพระธรรระสงฆ์คือยังมีกจิตกจาจที่จะพอนึกถึงไปได้กว่านี้แล้วไม่สับสนจิตยังทรงใจไปในพุทธคุณได้อยู่ ก็บอกต่อไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ปัสรุชอบได้โดยเเองเป็นผู้ผู้สอนเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ไม่ผู้ไม่ผู้เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้จําแนกใหญ่ครับเป็นผู้จเด็ไปดีแล้วคือสามารถตามเรื่องคุณของพระองค์ได้ก็ก็คิดไปแต่โดยส่วนมากคนป่วยจะไปพูดอะไรมากๆยาวๆจะไม่ค่อยดีเพราะว่าสั้นๆคนป่วยเนี่ย โดยประเดนี้ว่าทำอะไรเนะี่ยชอบเปเขาฟังเทสมีฟังเทสเดียวที่ว่าเขาคงจับประเด็นไม่ได้ไดนะที่สั้นๆก็คือจับประเด็นไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เขารู้ว่าเขากําลังฟังเทสอยู่ก็ได้บุญมันเปลี่ยนเทสต่ออันนี้ใช่เดีดกันการระลึกถึงนั้ดีกว่าเพราะมันเกิดจากการระลึกด้วยสัญญาณจิตอย่างแรง อ, อย่างแรงกล้ายอยู่การฟังด้วยการด้วยฟังว่าเป็นเสียงของธรรมะไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ฟังก็ได้ชั้นของ ในชั้นอดีิสงในชั้นของการรับรู้แบบเดรฉาณ<ม>เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องฟังแล้วรู้เรื่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่องต้องฟังแล้วรู้เรื่องถ้าฟังแบบไม่รู้เรื่องมันอยู่ในชั้นของคุญงามความดีของเดรฉานที่กบมาฟังธรรมผู้ในเจ้าแล้วฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นเสียงของธรรมน่ะก็ตายในเวลานั้นไหนว่าจะเกิดเป็นเทวนาอั น, นั้นอดิสงในชั้นของสันเดรชาณเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เรารู้เรื่อง ะไม่ลการรู้เรื่องนี้เองเป็นการเพิ่มพูนคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้มากขึ้นเดชชังยาตดาวดึงยามาขึ้นพีเดชชังเดชังขึีเรื่อสาอันนี้คือในเรงนึงกีจะใพกรรมสที่2อถ้าสมมติได้ผู้ฟังชวนที่3าใช่จะเอาเอาพระไปสวดสวดทั้งวันก็ตามก็ได้คุณอนิสงเข้ากับสัตว์ในฉาบได้พจารืันี ถเมื่อเราได้ถึงว่าเราพินารากายแต่ใจนะคะพิจารณาถึงความรู้ของเราเนี่ยนะแล้วก็ดับในตอนนั้นเจ็บเจ็บได้อันนี้สูงสูงกว่าจ่าตุสูงไม่ได้ใช่เพราะการพิจารณาเป็นชั้นของปัญญาแล้วปัญญาจะไม่มีทางดึงกิจให้ตกต่ำมีแต่ขึ้นสูงไปโดยไถยเดียวเพราไม่ใช่เ ด, ดียร์ใช่เจ็บปวดขก็พิจาาว่านี่คือเวทนาเวทนาเกิดขึ้นกับเราเวทนากัำลังดีทั้งในตัวเรากายนี้มีเวทนาเป็นที่ตั้ง เมื่อกายมีเวทนาเป็นที่ตัง้ตงกายเจียมเป็นที่ตัง้งแห่งความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นทุกก็ต้องมีอยู่ที่นาไปอย่างนี้จนถึงบาลาแห่งความตายเพิบสุขสติย่างยื <c oughs> ไม่ต้องไปทําจิตให้มัน <c oughs> ให้มันดีไม่ไม่จะเป็นเรื่องของปัญญามันอยู่เหนือดีแล้ว <c oughs> อยู่ดนชั้นของปัญญาแล้ว <c oughs> เหนือดี <c oughs> เจ็บปวดก็เจ็บอยู่นั่นแหละไม่ต้องไป เป็นรถถอนความเจ็บปวดไี่ไงนะเหมือนกับพระอาาัสสชิเจ็บปวดอัสสชิเป็นพระอรหันต์แล้วนะเจ็บปวดตอนใกล้จะตายตอ น, อนจะไปนิพพานให้ภิกษุทั้งหลายหามตัวเองขึ้นเตียงไปกราบคุณพระพุทธเจ้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าถ้าโค้งเจ็บปวดมากเลยพระเจ้าข้าเวทนาบีพันข้าโค้งมากเลยพระเจ้าข้ า, ท, าท่านก็เจ็บท่านก็บอกว่าเจ็บตามความเป็นจริงพุทธเจ้าก็บอกว่าเคยเห็นเวทนานั้นเป็นตนหรือเปล่าไม่พระเจ้าข้า ม่ได้เห็นเป็นตัวกัวของภาภูวงเลยเวทนาก็เป็นเวทนาแม้เธอจะเจ็บปอะไรก็ตามแต่เมื่อไม่เห็นเวทนาว่าเป็นตัวเองเธอว่าปลื้มผ่านเมื่อนั้นเพราท่านเป็นพระอรหันแล้วไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันแล้วจะไม่เจ็บนะเจ็บเจ็บบนกันเจ็บปกติเนียมันร่างกายมันได้เป็นอรหันเนี่ยร่างกายเป็นร่างกายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลงจิตก็ไม่ให้เป็นอรหันเนี่ยอรหันคือไม่มี ไม่มีการปรุงแต่งผลจากความปรุงแต่งเป็นอสังขตะโดยส่วนเดียวนั่นคืออะไรเก็บก็ต้องเก็บเป็นเป็นปกติบุรุชนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปวิตกหรือกังวลกับความเก็บถ้าอริยเจ้าท่านฝึกสติมารับรู้กับความเก็บ มาโดยตลอดท่านในตัวรู้ว่า Zo เป็นเรื่องปกตินั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วให้ให้ไปเป็นอย่างอื่นความจริงก็ให้เป็นความจริงอย่างนั้นแบบให้ให้เป็นอย่างนั้นต่อไปเยอยแบบนี้ยถ้าเราไปเปลี่ยนหา ม, มันมีคนเปลี่ยนแปลงได้ไหมล่ะนะเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วพระเจ้าก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอานุ์เราหิวอานุ์เรา เ, เหนือ่อยอานุ์เรากระหายอนุ น, รนเราปวดหลัง ใช่ไหมอาเจียนเป็นเลือดใช่ไหับท้ายก็เป็นเลือดปักหันที่กาวผ้า mm hmm. เกิดโลหิตแตกสร้างไหลออกทางทวารด้วยทางอาเจียนด้วยพะพุทธองค์เขาเจ็บก็ปวดแต่ร่างกายไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมจิตก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่องค์คุณแห่งการตรัสรูน้นู่นองคุณของการตรัสรู้นั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้า พวกยังตั ด, ดเสมอว่าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโยมังปัสสติโซมังโยธรมมังปัสสติโซมังปัสสติบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราโยธรรมมังปัสสติโซมังปัสสติเพรา ะ, ะนั้นตัวของผู้โตองค์อยู่ที่ราธรรมคือการตรัสรู้สัจธรรม สภาพแห่งการตรัสรู้สัจธรรมนั้นแหละเรียกว่าพุท ธ, ธภาวะแห่งการตรัสรู้สัจธรรมเรียกว่าพุท ธ, ธะอาจาจึงพูดให้คนเข้าใจง่ายๆว่าความรู้ที่พงศ์ตรัสรู้เรียกว่าพุท ธ, ธะพงค์นำความรู้มาสอนอันที่พระงค์ทรงสอนเรียกว่าธรรมะผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนเรียกว่าสังฆะเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้รวมอยู่ตัวเนื้อตัวหนังของพระองค์แต่รวมอยู่ในธรรมะที่พงศ์ทรงสอนคือสัจธรรมแล้วคำ ว, ว่าสมไม่ใช่อยู่ ที่พูดที่เข้ามาบวชจึงเป็นสงฆ์แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมได้ชื่อว่าสงฆ์นั่นหมายถึงว่าชาวบ้านที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมก็ได้ชื่อว่าสงฆ์แต่หากผู้ที่เข้ามาบวชไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมไ่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ความเป็นพระสงฆดับบันในชาตินี้อันนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นสงฆ์ในทางพุทศาสนาเพราะความเป็นสงฆ์พระ <Keys S 1> เจ้านับตั้งแต่บุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นสงฆดบบันนับมาเป็นสงฆ์ได้แล้วในเวลานั้น ทีนี้บุคคลปฏิบัติเพื่อความเป็นศูดับบันเริ่มจากไหนเริ่มจากการยึดพารัตนาใยให้ถูกต้องเ พ, พราะพารัตนาใยคือเส้นทางไปสู่ความเป็นศูดับบันหากยึดพระรัตนาใยผิดปราธถนาจะเป็นศูนย์ดับบันยังไงก็การปฏิบัติงผิดไม่นับเป็นสงในาศาสนาเป็นสงไม่ได้แม้บทเข้ามาไม่รู้จักพารัตนาใยว่าพารัตนาใยเป็นอย่างไรยึดถือพารัตนาใยผิดก็ไม่ได้นับว่าเป็นสงในทางุศาสนา อันนี้สมโดยธรรมนะไม่ใช่สมโดยสมมุติสงนะอันสมมุติสงนั้นเป็นสมมุติอยู่แล้วเป็นสมโดยสมมุติอยู่แล้วแล้วอันสมมุติสงนั้นไม่ใช่สังขัรสารนังคตฉามิคือไม่ใช่สงเสาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่สงในชั้นของเพศนักบวชเท่านั้นต้องแยกสมมุติ2กับอริยสง์ให้ออกสมวน สืสำราจถามว่าตอนนี้ลูกเห็นกายกับจิตประมามีลูกไลูกซิดลูกสิตอนนี้ลูกเห็นกายกับจิตที่เป็นอวิชชาแยกออกจากกันผู้รู้ก็แยกออกมาเป็นผู้ดูกายกับจิตแทนเจ้าค่ะเข้าใจท่าสีขันธ์หาทั้งหมดว่าตดอยู่ภายใต้กดไปรักมหัศจรรย์มัอนเกิดใหม่เห็นทั้งหมด ทั้งเขาทั้งเราพารัทางใจไม่มีพอชี้แจงเจ้าขังเห็นไหมการปฏิบัติสามารถเข้าถึงผลได้จริงนี้เขาพูดออกมาโยมท่านนี้พูดออกมาจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ปฏิบัติแบบเล่นๆปุ๊บก็ทุกแบบจริงๆไม่ใช่ทุกแบบเล่นๆปุ๊บแบบจริงๆนั่นแหละจะพัวจริงๆบีพัน์จริงๆพอละมานจริงๆกิจใจจะแตกสลายอยู่างจริง จิตใจเป็นส่วนสสังคตรธรรมกระทบกับอารมณ์ก็เป็นไปตามอารมณ์นะั้นเพราะจิตเป็นตัวสแสดงออกถึงสภาพของอารมณ์อารมณ์ใดมาสัมผัสกับจิตจิตก็แสดงออกตามอารมณ์นั้นเรียกว่าเป็นที่แสดงออกของอารมณ์หากจิตไม่รับรู้รับทรา บ, บอารมณ์ใดๆใจิตจะไม่สามารถเข้าใจความจริงในเหตุปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับชีวิตได้เลย บางคนปฏิเสธอารมณ์ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวโยงกับจิตกั้นอารมณ์ไว้เมื่อกั้นมาเข้ามาเข้ามันจะเกิดกระแสของการกัน้นเมื่อเกิดกระแสของการกัน้นจิตจะดำรงอยู่ในความสงบเมื่อสงบมากเข้ามาเข้ามาเข้ า, า, ขาแล้วยึดถือความสงบนั้ น, นคือข้อปฏิบัติที่จะนําไปสู่ผลแห่งการบรรลุการยึดถืออย่างนี้จะนําไปสู่วิถีแห่งความกิดพลาในการฝึกปฏิบัติตคนที่จะสามารถก้าวล่วงความทุกข์ได้ต้องกล้าไเผชิญกับความทุกข์ กล้าเผชิญกับอารมณ์ไม่ปฏิเสธต่ออารมณ์แม้อารมณ์นั้นจะบีบคั้นให้จิตหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามก็กล้าที่จะเผชิญและก็เรียนรู้สิ่งนั้นแล้วเมื่อผ่านมันมาได้แล้วสิ่งที่จะกระทบกับชีวิตหรือกับจิตที่จะเป็นฟอร์ทุกเป็นความบีบคั้นมากแค่ไหนก็ตามในภายภาคหน้าก็เป็นสิ่งที่จิตได้เรียนรู้แล้วและเข้าใจแล้วเมื่อเจออีกประสบอีกมันก็ไม่สร้างความทุกให้กับเราได้อีกเหมือนกับคราวครั้งที่เจอแบบแั้นๆมันก็จะเกิดปัญญา เพิ่มคูณขึ้นและอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้อยู่โดยตลอดเวลาเรียว่ามีสติปัญญาในความเป็นอยู่ของชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็คนปฏิบัติแล้วเข้าถึงได้ก็มีอยู่แสดงความเห็นเข้ามานี่ปฏิบัติได้มันมีหนทางการปฏิบัติอยู่วิธีการมีอยู่ การดำเนินมีอยู่เส้นทางมีอยู่อยากจะเดินไหมทิ้งนะแต่ถ้ามาสอนเดินนี่คือต้องทิ้งรูปแบบการปฏิบัติทั้งหมดนะ <c oughs> อยู่ความเป็นจริงในแต่ละวัน <c oughs> อย่าให้จิตเราถูกปรุงแต่งไปในชั้นของความงมงาย <c oughs> จิตมันมีความงมงายอยู่ในจิตอย่าไปรับความงม ง, งายเข้ามาไว้แล้วเพิ่มปรุความงม ง, งาย น, นั้นให้มาก <c oughs> ไปกว่าเดิม พยายามลดความมันออกไปแยกโดยการเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาแยกเอาสัจจคติมาแยกอันนี้เท็ไม่เอาอันนี้จริงเอาไว้เท็เอาออกไปจริงเอาไว้ดาเนินตามความเป็นจริงอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆมเมื่อเราแยกข้อเท็จข้อจริงออกไปอะไรถูกอะไรผิดความถูกมันจะแยกออกจากความผิดเองอัตโนมัติแล้วความผิดก็จะค่อยๆลืมไปเองแล้ก็จะใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นเครื่องดําเนินอย่างถูกต้องเราจะเกิดความเชื่อมั่นในขณะที่ปฏิบัติ ว่าที่นี่คือเส้นทางของคนทุ ก, กินคนเข้ามาถึงได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านความทุกมาเนี่ยพอใจจนสามารถแยกอภิชาออกจากกันกับกิริย์ได้นี่แยกได้ไม่ใช่แยกไม่ได้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติถูกต้องบทสรุปมีแค่นี้ แต่คนไม่เข้าใจกฎธรรมชาติเลยมีคำอธิบายยืดเยืย้อมากมายแต่คนเข้าใจแล้ว อ, อ๋อมันเป็นกฎธรรมชาติจบจบหรยังานางนานล้ร้อนนะนี่ร้อนอยังไงก็ตามแต่ก็เย็ดด้วยธรรมะนก เราจะหาหน้ามาสาด ใ, ให้มันร้อนขึ้น <laughs> สงกราร <laughs> จบแล้วก็พอแล้วงั้นก็ใช้เวลาในการอธิบายธรรมะแต่เพียงเทาง่านี้อ่ะรวยพอให้กับพวกเราอีกรอบนึงพออำนาจพอพุทพคุณธรรมพอสมจยมันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนา คุณบุษบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้งสองประการนี้จงเป็นมหันตเดชชั้นภาคติดตามปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยทุกท่านให้เป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้พวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งพวงพ้นจากเวรภัยทั้งพวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งพวงระสบแต่สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญในชีวิตขอให้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมธรรสั่งสอนของพระสมาสามพุทธเจ้า มีสติระงับตั้งมั่นในภายในผลพุกเข้าถึงสุดรู้กระแสพนิพพานทุกท่านเออ